بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ول و ب ลอฮฺทูล ل ่าอาลัยอัลล ل ฮ ا ท ل ل ว ا า ل าลัยอัลลอฮ ا ทูลว่าอ ل ลัยอ ا ล ا อฮฺทูล ن ا า أ าลัยอ ا ل ล ا ل ฺ ي ูลว่าอาล لي อั ر ي อ ي ฺ ر ู ي ว่าอาลัย ر ัลลอ ل ฺทูลว่าอาลั ي อัลลอฮฺทูล ا ่า ل าลัยอั م ลอฮฺ ه ูลว่าอา อเมนนะขอขอบุณต่อ Allah سبحانه และตล่าขอบคุณในเนี่ยไม่ความกรุราที่อ l l a h سبحانه และเตล่าได้ทรงประทานให้กับพวกเราทุกคนนะครับอบิลฮัมดลิลละซึ่งัลฮัมดลิลละวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันต่อนะครับในหัวข้อตักซีรวยรหรือวิชาตักซียร์การอธิบายอันกรอณาซึ่งอินชอนละนะครับถ้าหากว่าไม่มีมมมมอุปสรรคใดๆเนี่ยผมก็จะพยายามมาสอน <c oughs> ในคําคืนวันพระฤหัสนะครับแล้วก็เราก็ยังคงเรียนอยู่ในยุสอัมมานะครับยุสอัล ม, มาซึ่งผมก็ได้นำหนังสือตัปซีรของท่านเชฟมุ hammad bin saleh an utaymin alrahim alqalal ะนะครับมาอธิบายส่วนถ้ามีประเด็นใดนะครับที่ นอกเหนือจากตัศนศกเนี่ยก็จะพยายามที่จะไปเอาคำพูดัตวาหรือบทความของบรรดานักวิชาการนะครับมาสนับสนุนเนื้อหาและข้อมูลอิชาอัลลอ์นะครับเราก็ถือว่ามาเรียนรู้พร้อมกันเพราะว่าก่อนที่จะทำการสอนเนี่ยผมก็ได้อ่านและก็ได้รับความรู้นะครับและก็อยากจะนามาบอกต่อ ใหกัพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านเนี่ยได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่า น, นี้นะครับมันมาจากการความความคิดหรือมันมาจากความรู้มันมาจากบรักะของอัลกุรอานแล้วก็บรักะความรู้ของบรรดาอุลามะนะครับที่พยายาม เรียนรู้พยายามฝ่อวะนะครับแล้วก็พยายามที่จะค้นวาจนตกผลึกแล้วก็นำเสนอให้กับพวกเราได้รับความรู้ร่วมกันทำได้แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในสูรออนมุกฟิฟีนะครับอายะที่สิบเจ็ดสิบแปดถึงยี่สิบแปดนะครับเนื้อหาที่ผมอยากจะพูดคุยในวันนี้นะครับก็มีหลายประเด็นด้วย ก, กันนะครับก็ อย่างเช่นบันทึกของคนดีในอยู่ที่ไหนนะครับเผื่อพี่น้องเนะี่ยจะตั้งใจฟังแล้วก็จะได้รับประโยชน์ไปร่วมกันนะครับบันทึกของคนดีอยู่ที่ไหนแล้วก็ใครคือคนดีนะครับเป็นคําถามแล้วก็อะไรที่ถูกเรียกว่าความดีณนะที่อัลลอฮฺสุบฮานตละลานะครับเพราะว่าคําว่าความดีเนะี่ยถูกนิยามกันเยอะแยะมากมายแล้วตกลงแล้วความดีณที่อัลลอฮฺที่อัลลอฮฺสุบฮานตละลาจะตอบรับเนี่ยนะครับ มันคืออะไรกันแล้วก็เมื่อพูดถึงคนดีแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าติดตามนะครับนั่นก็คือคนกาเฟรถ้าเขาทำความดีในโลกใบนี้เนี่ยเขาจะได้รับการตอบแทนไหมนะครับในโลกใบนี้และโลกหน้าล่ะเขาจะได้รับการตอบแทนความดีของเขาไหมแล้วเมื่อเขาเข้ารับอิสลาม นะครับความดีที่เคยทำมาก่อนอิสลามเนี่ย์ยูเปล่าหรือไม่นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมารู้ว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้ซปเปอร์ VIP นะครับอ่าแล้วก็ผลตอบแทนของคนดีเนี่ยอัลลอฮลตาราได้ทรงตรัได้ตรัเอาไว้ในอายะ์ที่ 8-18 ถึงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ นะครับวันนี้เราก่อนที่เราจะเรียนตับซีร์นะครับอินชาอัลล์เราก็จะมาทำการอ่านนะครับเอาบาระกะจากอัลลอ์ุบฮาน a l t เพราะว่าอันกุรอานเนี่ยนะครับเป็นตำราที่มีบาระกะมีความจำเริญเป็นคาลามุลวะเป็นดำรัตของอัลลอฮ์สุบฮาน a l t ที่ทุกอักษรของมันนั้นเนี่ยเราได้รับผลบุญทุกตัวอักษร ไม่มีคำภีร์เล่มไหนในโลกนี้ที่เพียงแค่อ่านเราก็ได้รับผลบุญแล้วนะครับแค่อ่านอักษรหนึ่งอักษรก็ได้รับผลบุญแล้ว1อักษรได้ได้สิผลบุญดังนั้นนะครับการที่เราได้อ่านกุรานเนี่ยมันเป็นการดิกุลละการลำ้ำลึกถึงลัทธิสุนทวภัทราที่ง่ายในการที่ได้รับผลบุญที่สุดแล้วนะครับ มันมีความง่ายใดมากที่เราจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุลฮาน อ, อฺตาอัลลาเนึ่องมาจากการที่เรานั้นได้อ่านอัลกุรอานนะครับถ้าอ่านยิ่งอ่านมากผลบุญก็ยิ่งมากแล้วนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยอ่านแล้วเราก็นําไปปฏิบัติพยายามที่จะใคร่ตรวนนะครับพินิษฐพิจารณาตรตรษลองสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานนะครับมาและก็นํามาใช้ดําเนินชีวิตของเรา ให้อยู่ในคันลองแห่งอันอิสลามให้อยู่บนคันลองแห่งอันโครอานาเหมือนกับที่ท่านหญิงอชายายะลองอันนาเมื่อถูกถามว่ามารยาทของท่านนาบีเป็นอย่างไรนางก็บอกว่ามารยาทของท่านนบีนั้นคืออันกุรานนั่นหมายความว่าคําว่ามารยาทเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่มารยาททางสังคมแค่คําพูดแค่กิริยาวาจาเท่านั้นแต่คําว่ามารยาทมันหมายถึงตัวตนการดําเนินชีวิตทั้งหมดของผู้ศรัทธาท่านหญิงอิชาก็เลยบอกว่า ตัวตนที่แท้จริงของท่านนาบีก็คือผู้อ่านอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งนบีทำอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้นาบีออกหานั่นแหละคือตัวตนแห่งนบีนะครับเป็นแบบอย่างเป็นต้นฉบับแห่งคนดีทั้งหลายที่อัลลอฮ์ทราอัลลอฮ์ให้เรานั้นยึดปฏิบัติตามคนคนนี้เพียงแค่คนเดียวที่ปฏิบัติแล้วเราได้รับผลบุญเพราะมันคือสุนนะมันคือแบบฉบับของท่านศาสดามหามะโซลลฮ์อัลลอฮ์ศรัทธานะครับ اللهم ثلاث تلات واعوذ بالله من الشيطان الرجيم كن لا إن كتابا أبرارا أبرار, أبرار لفي عل يين وما أدرك ما عل يون كتاب مركوم يشهده المقربون إن الأبرار ل في نعيم على الأراء ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختم خدامه مز และใน ذلك ฟรียะตนาฟส์ المتنافسون ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون รบอายะทั้งสิบอายะนี้นะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเราอ่านแล้วเราก็มาดูความหมายแล้วก็เดี๋ยวทำกันอธิบายนะครับผมเป็นผู้ถ่ายทอดคาอธิบายจะ ท่านเชคมูฮัมมัดบินซ่าและอัลกัยมียรอัลลอฮ์มัลาลอห์ไละให้กับท่าน น, นะครับอายะที่18บฮักก่อนนะครับกันลาโรฮักก่อนจะแปลว่าแน่แท้จริงแท้แน่นอนแล้วบันทึกของบรรดาผู้ทรงธรรมคนดีทั้งหลายนั้นอยู่ในไอลีอนอย่างแน่นอนตอนนี้ผมยังไม่อธิบายคำว่าไอลีอินเดี๋ยวเราจะไปฟังคาอธิบาย อัลลอฮฺบอกว่าบันทึกของคนดีอยู่ในอิน ล, ล, ล, ล, ลียูนอะินลียีน่ะอย่างแน่นอนว่ามาอัลลอก็มาอิน ล, ลียูนและอันใดเล่าที่ทําให้เจ้ารู้ว่าอิน ล, ลียีนั้นคืออะไรมันคือบันทึกที่ถูกจารึกเอาไว้บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้กชิดก็คือบรรดามาลาอีก้านั้นจะเป็นผู้ที่ดูแลรักษาแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอน และพวกเขาจะมองดูจากบนโซฟาบนเตียงเจ้าจะรู้ได้ถึงการมีความสดชื่นมีความสุขสำราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาพวกเขาจะได้ดื่มสุราอันบริสุทธิ์ซึ่งถูกผนึกเอาไว้ที่ใช้ผนึกนั้นคือชมดเชียงและในการนี้บรรดาผู้แข่งขันจงแข่งขันเถิดและที่ ใช้ผสมสุรานั้นมาจากตัสนีมนะครับตัสนีมคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันคือตาน้ําแห่งหนึ่งซึ่งบรรดาผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์เท่านั้นจะได้ดึงมันนะครับตัศนีนนะครับไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราอ่านความหมายภาษาไทยแปลออกมาแล้วเราจะเข้าใจทัทนทีเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากอายะบางอายะที่มันมีความชัดเจนแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ไปดูบรรดาอุลามะอธิบายนะ เราจะไม่มีความลึกซึ้งในอาญะนั้นเลยนะครับมันจะไม่สะกดหัวจิตหัวใจของเราได้ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่กลับไปดูบรรดานักวิชาการที่เขานั้นมีความเชี่ยวชาญที่เขาพยายามที่จะอ่านความหมายและพยายามพ้นกว้าที่จะได้มาซึ่งความหมายที่ถูกต้องจากบรรดาสหาบาสคนเหล่านี้เขาอ่านตำหลักตำลามาอย่างมากมายจนกระทั่งว่าไปค้นเอาความเข้าใจของบรรดาสหาบาสที่เป็นลูกศิษย์ของท่านดี ที่ได้เห็นนะครับตั้งแต่วันที่ท่านในบีมหามาสองสลามนั้นได้รับประทานอายะนี้มาบรรดาซอบาก็อยู่ร่วมในนั้นและก็ได้เรียนรู้และก็มีความเข้าใจอย่า ง, งลึกซึ้งและหลังจากนั้นลูกศิษย์ลูกหา น, นักวิชาการแต่และยุคแต่ละสมัยก็พยายามที่จะไปสืบส่อเอาความเข้าใจที่ถูกต้องเหล่านั้นมารวบรวมไว้ในหนังสือตำราทับเสกของท่านและก็มาทําความเข้าใจแล้วก็มาย่อยเป็นฟาวาเอ็ดประโยชน์ที่เราได้รับจากอายะนี้ให้เรานั้น นะครับมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างเช่นเชคอุไซมี hmm. ee, นะครับท่านก็ได้ทําการอธิบายให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านแล้วก็หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยความรู้ที่มีบราระฆะของท่านบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เคยนะครับฟังแล้วก็อัดบันทึกเทปเอาไว้ก็เอามาคัดลอกเป็นลายลากอักษรแล้วก็บันทึกเป็นรูปเล่มแล้วก็มาทําเป็น pdf นะครับแจกจ่ายให้ความดีทั้งหลายเนีกลับไปหาท่าน แล้วเราก็ได้รับประโยชน์นะครับจากความรู้ที่มีบุรุษกาของท่านความรู้ที่มีบารุษกาของผู้รู้เนี่ยนั่นหมายความว่าผู้ที่รับฟังเนี่ยนะครับเขาจะเปิดใจรับฟังแล้วเขาจะเอาใช้ประโยชน์แล้วก็ความรู้เนี่ยจะถูกต่อยอดไปเรื่อยๆนี่คือความรู้ที่มีบารุษกา น, นะครับผู้คนก็จะเปิดใจรับฟังแล้วก็เอาไปบอกต่อถ้าเป็นตํำรับตาราก็จะถูกตีพิมพ์นะครับแล้วก็แจกจ่ายไปทั่วโลกเหมือนกับความรู้ของอลุลามะ ตั้งแต่ยุคอดีจนถึงยุคปัจจุบันที่เรายังใช้คงใช้ศึกษากันอยู่ทุกวันนี้นะครับนี่แหละมาจากบรักแต่ตัวไมเป็นบรักะความจำเริญที่อัลลอฮฺสุลต่านได้ประทานให้กับบรรดาอุลมามะเหล่านั้นให้ความรู้ของท่านนั้นกระจรกระจายไปทั่วโลกนะครับท่านใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ทุกวันนี้ความรู้ของท่านนั้นนะครับไม่มีที่ใดในโลก ไม่มีผู้รู้ท่านใดในโลกไม่มีนักศึกษาคนใดที่เรียนรู้ศาสนาเนี่ยจะไม่กล่าวถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาสัฮาบะไม่ว่าจะเป็นบรรดาอาอิมมะอัลุลฮัดีษบรรดาอิหมามนักฟุตปาห์ทั้งหลายอิหมะเชฟเวีฮัมบลัลีมาลิกีฮานาฟีนะครับและบรรดาอาอิห ม, มะผู้รู้ทั้งหลายที่รวบรวมความรู้และในอุลามะในยุค ป, ปัจจุบันที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับทั่วโลกนี่แหละหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ความรู้เหล่านี้นะครับทุกครั้งที่ถูกสอนความดีอันมากมายจะกลับไปหาท่านถ้าหากว่าความรู้เหล่านี้ถูกสอนและก็ทำให้คนเปลี่ยนแปลงไปสู่อิสลามที่งดงามได้เป็นคนดีได้นะครับแล้วคนเข้ารับอิสลามเพราะความรู้เหล่านี้เนะี่ยความรู้เหล่านี้จะกลับไปหาคนดีๆเหล่านี้แล้วพี่น้องลองคิดดูครับใครเป็นต้นกำเนิดใครเป็นจุดเริ่มต้น แห่งความรู้อนันอิสลามในอุมาประชาชาตินี้นั่นก็คือนบีมุ hammad สุลลัลฮวาเลงซัลลัมนี่และก็คือเกียรติของท่านนบีมุ hammad สุลมที่อลัลลอฮฺยกสถานะของท่านและให้มีอุมาประชาชาตินี้มากมายและจะมีและประชาชาตินี้จะเข้าสวรรค์มากที่สุดมาอันเนื่องมาจากบุญคุณของนบีมุ hammad สุลลัลฮวาเลงซัลลัมนะครับ แค่ละอินขีตับัลอบปราริลฟีอัลลียินนะครับเนนนน่แท้แล้วอายะนี้เนี่ยนะครับอายะนี้อัลลอฮุซุลฮานะตะลาตรัสเอาไว้และก็ยืนยันอายะนี้ด้วยกับถ้าด้านภาษาเนี่ยประโยคใดก็ตามเชคุตไซมินนะครับท่านจะมีความเชี่ยวชาญในด้านหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยเป็นเป็นเอกลักษณ์ในเวลาถ้าใครก็ตามที่อ่านหนังสือเชคุตไซมิน หลายๆเล่มหรือว่าบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือต่อคิดหรือสือตับซีร์หนังสืออุซุนตับซีร์หนืงสือมุสลิมฮะดิษหนังสือซุออ น, ซออนซออฟิกอะไรก็ตามแต่ท่านนะครับมักจะอธิบายคำศัพท์หรือว่ามักจะอธิบายในเรื่องของกฎไวยากรณ์เสริมให้เราได้เห็นถึงความลุ่มลึกนะครับหรือว่าความสวยงามของภาษาอังกฤษและความลึกซึ้งของมันดังนั้นเชลซีเมนบอกว่าประโยคเนี่ย นะครับอัลลอฮฺซุนนะตาลาได้ตรัสมาว่ากัลลาที่แปลว่าฮักก่อนแน่นอนแล้วนะจริงๆแล้วคําว่าฮักก่อนเนี่ยมันเป็นความหมายที่เน้นย้ํายืนยันในตัวของมันอยู่แล้วแต่อัลลอฮฺซุนนะตาลาก็ได้ตรัสคําว่าอินนาเข้ามาด้วยอินานาเนี่ยในภาษาอังกฤษมันแปลว่ามันเป็นอดาดัวาตุเตอรกิดเป็นคําที่เอามาใช้ยืนยันในประโยคนั้น ให้มันเน้นหนักยิ่งมากยิ่งขึ้นอลัลลอบอกว่าอินนากิตาบันอบบรอริลาฟีอินลียนนะครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าอัลร j จุลกอิมุนนะครับชายคนหนึ่งชายคนนี้ยืนขึ้นประโยคเนี้ยก็เป็นเพียงแค่ประโยคบอกเล่าไม่ได้เน้นหนักอะไรแต่ถ้าบอกว่าอินน r รร u จ a ละกอิมุน แท้จริงแล้วชายคนนี้เขาได้ยืนขึ้นเขายืนจริงๆนะนะครับแสดงว่าประโยคเนี่ยมันเป็นประโยคที่เน้นมากเน้นหนักมากดังนั้นประโยคอายะกุรานตรงนี้อัลลอฮฺบอกว่าอินนักลาฮักกอนศัสจรทำแน่นอนความจริงแท้จริงนะครับการบันทึกของคนดีอับบรอรการบันทึกของคนดีนั้นอยู่ไหนไอลียีนอยู่ในไอลียีน ประเด็นแรกที่เราจะต้องมาคุยกันบันทึกของคนดีอยู่ในไอ้ลียีนแล้วไอ้ลียีนน่มันอยู่ตรงไหนถ้าหากว่าเรากลับไปดูอายะ ก, ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมสอนไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอินนากิตาบันฟุจาริและฟิซจีนแท้จริงแล้วบันทึกของคนฟุจาร์คือคนชั่วอยู่ไหนล่ะซิจีนซิจีนอยู่ไหนเอส a l ลินอ d รีอยู่ใต้พื้นแผ่นดินชั้นต่าสุด นั่นก็คือนรกนะครนรกกระพุ่นรกชั้นต่ําสุดเนี่ยนะครับนั่นก็คือผืนแผ่นดินชั้นต่ําสุดเรียกว่าซิดจีนนี่คือบันทึกของคนชั่วที่จะได้อยู่ในนรกนะครับเราก็รู้ไปละได้คุยกันในประเด็นของใครคือคนชั่วหายนะของคนชั่วเขาคือใครนะครับใครอยากจะทบทวนก็กลับไปดูในเทปก่อนหน้านี้แต่วันนี้เราจะมาดูกลุ่มตรงกันข้ามที่อเลสซานเดร ได้บันทึกให้เขาอยู่ในไอรีญนะและไอรีญอยู่ตรงไหนไอรีญ์ก็อยู่ตรงข้ามกับซิจีนนั่นเองซิจีนอยู่ใต้สุดไอรีญ์ก็คืออะลานะครับอะลาอจันนะอะลาจันนาอยู่ไหนสูงสุดของสวรรค์นะครับสูงสุดของสวรรค์นั่นก็คืออ ah um ันนาฮุมฟีฮาดันมาแกนินอาลีพราเขาจะได้อยู่ในมาการสถานที่ที่สูงส่ง ก็เดปูที่ว่าอัลลอฮ์ได้บันทึกนะครับอัลลอฮ์บันทึกไว้การที่เขาจะได้เข้าสวรรค์หรือว่าการที่เขาจะอยู่นรกเนี่ยอัลลอฮ์สุม า, าลตาราได้บันทึกไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างโลกใบนี้ถึง5 0,000 ปีเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์สุมาลตาร์จึง บ, บันทึกให้คนนั้นเป็นชาวสวรรค์ทําไมอัลลอฮ์จึงบันทึกให้คนนี้เป็นชาวนรกนะครับแสดงว่าการกระทําของเราไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมเพราะอัลลอฮ์บันทึกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่ถ้าความเข้าใจแบบนี้นะครับถ้าเข้าใจว่า จะทำความดีหรือทำความชั่วไม่มีประโยชน์แล้วเพราะเอาลอบบันทึกไว้หมดแล้วว่าท่านเป็นชาวสวรรค์เป็นชาวนรกไม่ใช่นะครับเราเนี่ยไม่รู้บรรปลายชีวิตของเราหน้าที่ของเราคือให้ทำความดีถ้าเราถูกบันทึกเป็นชาวสวรรค์เราก็จะมุ่งหน้าไปสู่ความดีนั้นอย่างง่ายดายแต่ถ้าคนคนหนึ่งไม่รักดีเลือกจะทำความชั่วนะครับสุดท้ายแล้วเขาเลือกจะเป็นคนชั่วและบรรปลายชีวิตของเขาอยู่ในนรกเขาก็จะไม่ใกล้ ความดีเลยเขาก็จะไปหาความชั่วเขาก็จะเดินอยู่บนหานทางความชั่วแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ใช่การบังคับจากอัลลอฮ์แต่อย่างใดแต่มันคือการให้เราเลือกให้เราเนี่ยเลือกด้วยกับสติปัญญาให้กับให้นบี ม, มุฮัมมัดสุลตัลลัมเนี่ยมาสอนมาเผยแผ่อันกุรานลงมายืนยันว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วอะไรคือความดีในบรรทัด ฐ, ฐานแห่งอัลลอฮ์สุภาโนตะงอลา อะไรคือมาตรฐานในความดีที่อัลลอฮสุลต่านได้วางไว้และให้ท่านบเบีมาบอกกล่าวให้เราในเลือกนะครับและเราก็ถ้าเราเดินไปตามความดีแล้วอัลลอฮก็กำหนดให้เราเดินตามความดีที่เราเลือกแต่ถ้าเราเป็นคนที่เลือกชั่วนะครับเลือกที่ทำความไม่ดีเนี่ยตรงกันข้ามความดีทั้งหลายอัลลอฮก็จะบันทึกตามที่เราได้เลือกไม่ใช่เป็นการบังคับของอัลลอแต่อย่างใดแต่ความรู้ของอัลลอเนี่ยรู้มาก่อนแล้วว่า เราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนั่นหมายความว่าความรู้ของลอสุฮาตาลาเนี่ยรู้มาทั้งหมดแล้วว่าใครจะเป็นชาวสวนชานโนรกและเราก็รู้ด้วยว่าเราจะเลือกอะไรและเลาก็ให้เลือกก่อนและบันทึกนะครับก็บันทึกดังนั้นนะครับไม่มีการบังคับตั้งแต่วันแรกที่เราจะมาอยู่บนโลกใบดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ก็ไม่ได้บังคับทุกคนอัลลอฮ์สุฮาตุลาให้เลือกว่าคุณจะมาทําอำาณาณ์ไหมถ้าทําอำาณาณ์นะครับ มาเลือกที่จะมาทําำมานะก็มาแล้วก็อัลลอฮฺสุลตาราจะสร้างเราขึ้นมาชั้นฟ้าชั้นผืนแผ่นดินอัลลอฮฺก็เสนออา ม, มานะแต่พวกเขาก็ไม่เลือกนะครับเพราะเขากลัวว่าเขาจะแบกรับอา ม, มานะหน้าที่รับผิดชอบนั้นไม่ไหวแต่มนุษย์ดันเลือกรับอา ม, มานะนั้นมาและสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ต้องรับผิดชอบกับหน้าที่ของตัวเองแค่นั้นเอง นะครับนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเราไม่เคยถูกบังคับเราได้สิทธิ์เลือกเต็มที่มาอยู่ดุนยาก็สิทธิ์เลือกเต็มที่นะครับเลือกที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอเราเลือกที่จะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเราเลือกเองและลอสซูนฮาตล拉ก็ไม่ได้ให้เราใช้ชีวิตอยู่กับโลกดุนยาแบบนี้นะครับโดยที่เปล่าประโยชน์ลอสซูนฮาตลาก็สร้างสรรพสิ่งต่างๆให้รู้ว่าสิ่งถูกสร้างเหล่านี้มันมีผู้สร้าง มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีความบังเอิญและมันก็เกิดขึ้นเฉพาะโลกใบนี้ดังนั้นนะครับถ้าคนที่มีสติปัญญาแล้วใคร่ครวญเนี่ยอรรถจึงถามในเนื้อันโบราณเยอะแยะมากมายอฟัฟลาต้าอัีรูนมีปัญญาทําไมไม่ใช้ละ่ะทําไมสูตเจ้าไม่ใช้ปัญญาของสูตเจ้านะครับทําไมถึงไปทําความผิดบาปทาไมถึงไม่เลือกไม่แสวงหาไม่ใช้ปัญญาของเจ้าในทางที่ถูกต้อง ทเทล้อให้มาแล้วทําไมไม่สแสวงหาว่าใครคือพระเจ้าที่แท้จริงของโลกใบนี้พระเจ้าที่ิ่งใหญ่ที่แท้จริงจะต้องมีองค์เดียวเป็นไปไม่ได้ว่าจะต้องมีหลายองค์และมีสถานะพลังอํานาจเดชานุภาพเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ในโลกใบนี้จะต้องมีพระเจ้าสององค์ที่มีอํานาจเท่ากันเป็นไปไม่ได้นนะครับเป็นไปไม่ได้ดังนั้นนะครับอเลสนตาตาได้ทรงกําหนดไว้แล้วว่าไอรียูคนดีเนี่ยบันทึกของเขาเนี่ยเจนถูกบันทึกละนะครับว่าเขาจะอยู่บนฟากฟ้า อะลาจันนะสวรรค์สูงส่งและวรอวันที่เขาจะกลับไปบ้านที่แท้จริงของเขาเหมือนกับที่เราทุกคนนั้นทวิลหานะครับความผาสุกในสวรรค์เพราะครั้งหนึ่งบรรพุรุษของเราเคยอยู่ในสวรรค์เราทวิลหาเรามีความนะครับมีความปรารถนาอันยิ่งยวดที่จะกลับไปสวรรค์ของโลกสุนทตภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งเพราะครั้งหนึ่งพวกเรานั้นเป็นลูกหลานของชาวสวรรค์ นั่นหมายครามว่าวันนี้เราก็ต้องกลับไปหาบ้านของเรานะครับบ้านที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ในสวรรค์เราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นชาวนรกแต่ใครก็ตามที่เขาเลือกที่จะเป็นชาวนรกอลลอฮฺซึ่มฮะตาลาก็ไม่ได้บังคับเขานะครับอลละฮฺให้เขาเลือกเต็มที่ดังนั้นหมายประเด็นแรกเนี่ยในอายาานี้บอกชัดเจนว่าคนดีๆทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจะได้ถูกบันทึกไว้ใน ไอลียุนดังนั้นไอลียุนแปลว่าอะลาจันนะไอลียุนก็มาจากคําอาลาียุนอะลาอะลาคำเดียวกันหมดนะครับสูงส่งนั่นก็คืออะลาอันจันนาะสวรรค์อันสูงส่งที่พวกเขาบรรดารายชื่อทั้งหลายพวกเขาจะถูกบันทึกนะครับประตูสวรรค์เปิดอ้ารอเขาอยู่นะครับเปิดอ้ารอเขาอยู่ทุกวันพระฤหัสวันจันทร์เดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็อา่า ในช่วงค่ำคืนแห่งิาษูชาบานที่อลอสแอนเาลาจะมองลงมายังบ่าของพระองค์นะครับอัลลอฮ์จะประทานอภัยโทษให้นะครับประตูสวรรค์มันเปิดอ้ารอรับชาวสวรรค์อยู่แต่วันนี้ยังไม่มีใครที่เข้าสวรรค์ของลอสแานเจลา่าหลังจากที่นาบียดามได้ออกมาแล้วนะครับ ก็ไม่มีใครที่เข้าสวรรค์ของเราสุหาัแต่สวรรค์ที่เป็นสวรรค์แห่งการตอบแทนที่แท้จริงนะแต่สวรรค์มันคอยที่จะเปิดอาประตูของมันรอรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนรอมฎอนทุติฮัตอบวาบุญจันร์ใช่ครับเราได้ยินฮันิสบอบ่อยในทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับประตูสวรรค์ถูกเปิดอัลลออภัยโทษให้กับบาวของพระองค์นี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่ แล้วพอเรามารู้แล้วนะคบว่าคนดีจะถูกบันทึกชื่อไว้ในไอรีอยูเนะี่ยแล้วอะไรคือคนดีใครคือคนดีและอะไรคือความดีนะควันนี้เนะี่ยทุกคนก็มักจะนิยามความดีไปต่างๆนานาหลายความหมายหลายคำนิยามบางคนก็พยายามที่จะบอกว่าความดีเนี่ยทำไปเถอะนะครับทำไปเถอะไม่เป็นไรทำให้มันเยอะเข้าไว้ ขอให้เราบริสุทธิ์ใจก็เพียงพอขอให้ขอให้เรานั้นทําความดีก็พอขอให้มันเรียกว่าความดีนะั่นก็คือความดีแล้วเดี๋ยวลสมาตราว่าตอบรับเราเองนัหากว่าเราคิดกันแบบนี้นะครับมันก็เหมือนกับการที่เรานั้นยัดเยียดให้รสมาตราว่าตอบแทนเราพอลสมาตราว่าได้ทรงตรัสเอาไว้แล้วได้ตรัสเอาไว้แล้วนะครับในอัลกุรอานในฮะดีสที่มายืนยันว่าการงานของคนคนหนึ่งจะถูกตอบรับเนี่ยมันมีสองเงื่อนไข ไม่ได้หมายความว่าใครจะทําอะไรก็ได้บริสุทธิ์ใจอย่างเดียวพอนะครับจะพลิกแพงจะต่อเติมจะเปลี่ยนแปลงนะครับจะทํำยังไงก็ได้จะดีไซน์าศาสนาไปรูปแบบที่ทางไหนก็ได้จะเอามาปะปนกันเอามายำรวมกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือความดีงามอาลัลลอฮุซุ่มห์อานาตาล่าไม่ตอบรับนะครับความดีงามเหล่านั้นถ้าหากว่าความดีเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกรอบของคําว่าศุนย์นะ แบบฉบับที่มาจากท่านนาบีมฮัมมัดสลฮะลิลดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบอย่างที่ท่านนาบีได้พูดได้กระทำได้สอนและบรรดาสฮาวาะโดยพ่ออย่างยิ่งคอรีฟ้าทั้งสี่หลังจากที่นบีเสียชีวิตไปแล้วและคอรีฟ้าทั้งสี่เนี่ยยังดํารงมั่นหลังจากนั้นบรรดาสฮาวะที่เป็นสฮ า, าวะอับโซทั้งหลายนะครับที่อยู่ใน300ปีแรกคนดีๆทั้งหลายเขาเขาเห็นพ้องกัน ไม่เห็นมีการเห็นต่างกันนั่นแหละเรียกว่าความดีงามแต่ถ้าอะไรก็ตามไม่มีการยอมรับไม่มีการปฏิบัติไม่มีร่องรอยใดๆจากขลิฟฟ์หลังจากน บ, บีเสียชีวิตไม่เคยมีใครทำเลยนะครับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ไดเรียกว่าความดีถึงแม้ว่าเราจะทำมันมากแค่ไหนก็ตามเหมือนกับใครครับเหมือนกับท่านซ้ายไบินบุไซ ย, ยิบเนะี่ยซึ่งเป็นขีปาวุธตามแบบนี้ เป็นลูกศิษย์ของสาบาเห็นชายคนหนึ่งนะครับเขากําลังทําการละหมาดซูอยู่รุกวัวนะครับละหมาดแล้วละหมาดเล่าหลังจากละหมาดฟาเจอรี่เสร็จนะครับสองลอกกัสสองลักกัสองลับกาัสเรื่อยๆเลยแต่นะพอฟาเจอรี่เสร็จเขาก็ยืนทําอย่างยาวนานเลยนะครับดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ทันขึ้นไอ้ะละหมาดอะไรกันนะครับเขาก็แล้วท่านสายเป็นมุส ย, ยิบก็เจอแล้วก็บอกว่าท่านละหมาดอะไรเนี่ยนะ แล้วชายคนนี้ก็ถามกลับไปว่าเอาแล้วผมละห ม, มาดนี่มันผิดตรงไห น, นะละห ม, มาดไมนผิดตรงไหนอัลลอฮ์จะลงโทษผมเพราะผมละห ม, มาดเหรอนะครับอัลลอฮ์สุลตารา จ, จะลงโทษเพราะผมรำละห ม, ม, มาดกระนั้นหรือนี่เป็นความคิดของคนทั่วไปว่าการที่ฉันทําความดีเนี่ยไม่จําเป็นก็ได้ที่ต้องมีรูปแบบแค่ฉันคิดว่ามันดีก็พอแค่ฉันบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ฉันทําเพื่ออัลลอฮ์ฉันจะทํำยังไงก็ได้นี่คือความดี ดูนะครับคนยุคสลับเขาไม่ได้ให้คํานิยามความดีแบบนั้นเขาให้คํานิยามความดีคือการตามนาบีแล้วชาอิทไซบินบูซัยยุบก็ตอบชายคนนี้บอกว่าท่านน่ะไม่ได้ถูกลงโทษเพราะละหมาดหรอกแต่ท่านจะถูกลงโทษเพราะท่านฝืนนบีท่านทําสิ่งที่ตรงข้ามกันนบนบีนะครับท่านกําลังฝ่าฝืนนบีมหามะฮ์ ม, มัด ส, สุลตานสยามฝ่าฝืนสุนนะของท่านนาบี นี่ไม่ใช่แบบฉบับของท่านนบีดังนั้นอะไรก็ตามที่มันบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวเนี่ยและมันไม่ได้ตามศุนย์นะมันไม่ได้ร่วมความดีนะครับและความดีนั้นจะทํามากมายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราทําชีริกเรามีการโ อ, อ้อวดถามว่าในวันเตียมาเนี่ยมันจะเหลืออะไรถ้าวันนี้นะครับคนคนหนึ่งทําความดีอย่างมากมายไม่เคยนินทาใครเลยทําแต่ความดีนะครับแต่ ในความดีของเขาเนะี่ยมันมีมีชีริกแฝงอยู่เขายังเชื่อเรื่องโชคลางของขังเลิก ง, งามยามดีจะออกบ้างจริงจกทักก็ไม่ออกจะซื้อรถก็ยังต้องเลิก ง, งามยามดีจะแต่งงานก็ต้องวันนั้นวันนี้เดี๋ยวจะโชคร้ายก็ต้องมีแหขันมานะครับแล้วก็เชื่อสิ่งเหล่านี้หาหมอดูหมอผีทานายทายทักนะครับ จะทําอะไรก็ตามจะแม้แต่กระทั่งจะทํางานก้าวเท้าออกบ้านก็ต้องเวลานั้นเวลานี้หมอดูทักมาต๊ะหมอแขกต๊ะกี้นั่นกีนี้ทักมาทําความดีแค่ไหนนณะที่อลัลลอฮฺมันก็สูงเปล่ามันก็ไม่เรียกว่าความดีงานฉันใดฉันนั้นนะครับเหมือนกับคนคนหนึ่งไปละหมาแต่ไม่มีน้ําละหมาะคําว่าละหมาดีไหมดีแต่ละหมาดโดยไม่มีน้านะําละหมานะครับการละหมานั้นก็หมูครับ เหมือนกับคนหนึ่งทาําความดีแต่เขานั้นมีชีริกมีการตั้งภาคียังเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับใครเชื่ออะไรเขาก็ไปเชื่อใครขูดต้นไม้ที่ไหนก็ไปขูดใครไปขอหวยที่ไหนก็ไปขอนะนะครับแต่ความดีก็ไม่เคยทิ้งเลยความดีในอิสลามสักสก็ฮัชก็ไปทุกปีบางคนทําความดีมากมายทําความดีกับพ่อแม่กับภรรยากับพ่อคัวกับทุกความดีสอดรับกับทุกที่ที่เขาขอส่วนเราก็บริจาคสร้างมัสยิด ต, ต่างๆนั่นนะ แต่พอถึงเวลานะครับจะทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่ต้องไปหาหมอคนนั้นทำนายทายทักว่าวันไหนดีฉันจะปักเสาฉันจะขึ้นเสาเอกวันไหนดีเหมือนกับนะครับความดีที่เขาทำมามันโมฆะสูญเปล่าเพราะเขากำลังทำชีริกตั้งพาคีต่อว่าสูุหางต่ละเช่นเดียวกันคนคนหนึ่งทำความดีนะครับปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีอย่างเคร่งครัดแต่เขากาลังมีความอ้วดในจิตใจสอนศาสนานะครับ เป็นกอรีอ่านอันกรดอ่านหรือทำความดีเพื่อที่จะให้คนเนี่ยยกย่องนะครับกล่าวถึงเขาในทางที่ดีเขามีกำลังใจมีความสุขถ้าใครกล่าวถึงเขาถ้าเขาทำแล้วไม่มีใครเห็นเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่พอทำความดีก็อยากจะให้นะครับมีคนพูดถึงชมเชยเขานะครับซุมอ่ะก็คืออยากจะได้ยินคำชมระยะก็คืออยากจะให้คนเห็น นะครับทั้งสุมอาและกอริยาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมาทําลายอิบตอลนะครับอิบตอลหรือมฮบิดอัลมันทำให้การงานน่ยมันโมฆะหเลยเหมือนกับชายสามคนวันกิยามัดนะครับอัลลอฮ์ทรงฮาตาลาเอาผลบุญมาให้หมดเลยคว า, ามดีทั้งนั้นเลยเนี่ยคว า, ามดีทั้งนั้นที่มายุ่อยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยเท่ากับภูเขานะครับเท่ากับภูเขาเลยและสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายแล้วนะครับอัลลอฮ์เอาคืนหมดแล้วเราก็ แล้วคนเหล่านี้ก็ถาทงถางกับอัลลอฮ์บอกว่าอ <Yeah. S 1> ย่าอัลลอฮ์นิ่ง ค, ความดีของข้าพระองค์พระองค์จะเอาความดีของข้าพระองค์ไปไหนอัลลอฮ์ซว น, นตระลาก็ตอบกับเขาว่าท่านได้ไปแล้วไม่ใช่หรือในดุ n y าทั้งนั้นทั้งทั้งที่เป็นความดีนะครับอัลลอฮ์เอาคืนไปหมดแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าได้แล้วใช่ไหมในดุ dunya ได้อะไรละ่ะสิ่งที่ท่านปรารถนาคือคําโอ้อวดการโอ้อวดการสรรเสริญเยนยอใช่ไหมอยากจะให้คนเห็นใช่ไหมฉันให้คนเห็นหมดแล้วเขาชมท่านหมดแล้ว เขาชมท่านเต็มที่แล้วงั้นก็เอาคำชมไปความดีไม่ต้องดังนั้นนะครับคำว่าความดีเนี่ยมันจะต้องระมัด ร, ระวังสิ่งหลนี้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่มาทําลายความดีทำไปเถอะมันก็ไม่เรียกว่าความดีนั่นก็คือทำความดีแล้วไ ป, ลนนไปด่าทลไปยึดทรัพย์ไปโกงนะครับไปนินทาว่าร้ายป้ายสีอะไรต่างๆนานาความดีที่ทามาทั้งหมด มันก็สูงยปล่านะครับณที่อัลลอฮ์สุนาห์กะลาดังนั้นมาตรฐานความดีของอัลลอฮ์สุนาห์กะลาเนี่ยสูงมากนะครับดังนั้นความดีเมื่อมันอยู่ที่สูงอัลลอฮ์ก็บันทึกรายชื่อของคนดีไว้ให้อยู่อในรียอยู่ให้เขามีความปราถนาที่จะไปอยู่จุดที่สูงส่งตรงนั้นอัลลอฮ์สุนตาจึงวางมาตรฐานของชาวสวรรค์ไว้ที้สวยงามมากนะครับที่จะต้องไม่ลดตัวลงมา เชกเช่นของพฤติกรรมของคนที่เป็นคุณชั่วนะครับจะต้องพยายามเอาพฤติกรรมเหล่านี้เอาจากตัวเขาเพื่อที่ตัวเขานั้นจะได้ขึ้นไปอยู่ในที่สูงวันดังนั้นวันคนคนหนึ่งจะขึ้นที่สูงไม่ได้ถ้ายังมีพฤติกรรมของคนที่นะครับต่ําตมอยู่ณนะที่อรรถสุภะตะลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเรารู้ละคําว่าความดีเนะี่ยนะครับคือสิ่งที่ ยิดมั่นอยู่บนอันอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอ์นะครับบริสุทธิ์ใจก็คือไม่ อ, อ้วดและไม่ตั้งพาคีหัวใจที่สะอาดนะครับไม่อิจฉาริษยาแล้วก็ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีไม่ใช่ว่าฉันจะทำอะไรก็ทำเรื่องศาสนาฉันนะครับฝากไว้กับบรรดาอิหมั่นนะครับอิหมั่นจะทำอะไรปล่อยเขาเต็มที่ฉันแม้มีหน้าที่จ่ายเงินอย่างเดียวนอกกนั้นฉันก็ละหมาดก็ไม่ต้องบางคน พักก็ไม่ไปนะครับมีเงินมากมายสกัดก็ไม่ออกนะครับสุดท้ายแล้วอยากจะล้างบาปก็เพียงแค่เชิญบรรดาอิหม่า ม, มาอ่านอัลกุรอานเลี้ยงทําบุญนะครับแค่นั้นเองแล้วอัลลอฮฺซุนฮานะตะลาสร้างเรามาดุลยานี้มาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนอื่นมาทําความดีแทนเราหรือไม่ใช่อัลลอฮฺบอกว่าข้าไม่ได้สร้างยินและกุมนุษย์เว้นแต่เจ้าทั้งหลายนั้นจะต้องทําอิบารัดต่อข้าไม่ใช่ให้คนอื่นทําอิบารัดแทนเจ้า เจ้านั่นแหละทามีบาดาต่อข้าแต่วันนี้นะครับพี่น้องเรามากมายนะครับหมดห่วงหมดห่วงตรงไหนถ้าฉันตายไปโดยที่ฉันไม่ละหมาด ก, ก็มีคนมาล่าขา้สารให้ก็เดี๋ยวมีคนเขาทำบุญให้สะดอกให้เดี๋ยวบาปฉันก็ร่วงไปหมดก็พ้นไปหมดไม่ใช่นะครับวันนี้หน้าที่ของเราต้องทำให้เต็มที่คนคนหนึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ของเขาไม่ได้เต็มที่จนกว่าเขาจะมีความรู้ที่ถูกต้องอันหมกัเลื่อ้ามัน นะครับอันมกับเข้ารียนามันความรู้จะต้องมาก่อนการพูดและการกระทําไม่ใช่ไปพูดนะครับไปสอนไปปฏิบัติแต่ความรู้ยังไม่มีที่จะพูดที่จะสอนนะครับแล้วไปปฏิบัติก่อ น, อนที่จะมีความรู้ความรู้ความการกระทําเหล่านั้นมันอาจจะพลาดมันอาจจะไม่ถูกต้องคำพูดที่พูดออกไปมันอาจจะพูดในสิ่งที่ผิดผิดแล้วคนเอาไปบอกต่อ เอาไปสอนคนต่อเอาไปบอกกับคนอืน่นมันเป็นเรื่องใหญ่มหาศาลมากนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิทนอันตรายมากนะครับอัลลอฮฺซุลมานอฺตาลาจึงได้ตรัสไว้ว่ า, วาอินน์คิทาบันอับรอลล์ละฟีนัยมอินน์คิทาบันอับรอลลฟีอิลียินลนะฟีให้ลีนก็คืออยู่ในบันทึกที่สูงสน่งในชั้นฟ้าในสวรรค์ที่สูง ส, ส่งแล้วอัลลอฮฺซุลมานอฺตาลาก็ได้ถามตั้งคําถามว่ามอาอัตรอกมาอิลยิน และอะไรที่ทําให้เจ้าเนี่ยรู้ว่าอนะินเรยูเน่ยคืออะไรเป็นคําถามตั้งขึ้นมาเพื่อให้ฉุกคิดเมื่อวสุหัตระว่าพูดว่าคนดีอรายชื่อของพวกเขาถูกบันทึกไว้เบื้องบนเนี่ยวสุหัตระจึงตั้งคําถามนะครับให้เราคนดีคนผู้ศรัทธาต่ออลงค์เนี่ยอ่านกูอานแล้วจะได้ฉุกคิดว่าเออแล้วอินเรยูเน่ยมันอยู่ตรงไหนอินเรยูมันเป็นยังไงนะครับอินเรยูมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน ตรงนี้เชื่อซันเสมอว่าเป็นอิสติฟ ham อัตัฟคิมอันักซินอันอิสติฟ ham ย่อได้วิาิี่ตัฟคิมอะตักซินเป็นการตั้งคําถามเพื่อที่จะให้เราถุกคิดว่าคําว่าไอเรยูเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอัลลอฮ์จึงเอามาถามเราซ้ําหลังจากที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าคนดีจะอยู่ตรงนู้นแล้วรู้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนและมันเป็นยังไงไอเรยูเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สุมหาห์ตระตลาก็เลยฉเฉลยในอายะห์ถัดมา ให้ผู้ศรัทธาที่กำลังอ่านแล้วเขาได้นะครับได้ใช้สติปัญญาของเขาในใคร่ควรอ่านปุ๊บมาเจอการตั้งคำถามให้ฉุกคิดแล้วอัลลอ์ก็เฉลยทันทีไม่ให้เราค้างคาใจอัลลอ์บอกว่าก uh ีตาบุญมารกุม um บันทึกของไอรียูเนี่ยหมายถึงการบันทึกตรงเนี้ยนะครับไอรียูเนี่ยถูกเฉลยไปแล้วว่ามันอยู่ชั้นฟ้าชั้นสูงส่ง แล้วพอพูดถึงการบันทึกของคนดีแล้วการบันทึกมันเป็นยังไงล่ะการบันทึกของเลาก็คือกอร์ดอลกอดัตถ้าเราเรียนเรื่องกอร์ดอนกอดัตเนี่ยอายาเนี้ยนะครับก็เป็นอีกท่าอายาหนึ่งที่ยืนยันการบันทึกขององล์เราว่าการบันทึกของเรานั้นกีตาบุมมาร์กูมมันถูกจารึกถูกบันทึกไว้อย่างมั่นคงแสดงว่าสิ่งใดก็ตามที่องล์เราบันทึกไว้ในเราให้มาฟูสเนี่ยการบันทึกของเราในสมาตรามีสองอย่างบันทึกทั้งหมดเลยนะครับ อยู่ในไหนอยู่ในเราให้มาฟูชาวสวรรค์ชาวนรกใครเป็นใครตายโลกนี้จะดับสูบเมื่อไรถูกอยู่ในแผ่นจารึกที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นแผ่นไม้มันเป็นแผ่นเหล็กหรือว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรอัลลอฮ์เท่านั้นที่ทรงรู้และหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์บันทึกไว้หมดแล้วเนี่ยและบันทึกอีบันทึกหนึ่งอยู่ไหนล่ะบันทึกที่อยู่ในมือของมาลยา์แก๊สที่อยู่ในไหล่ขวาและก็ไหล่ซ้าย บันทึกนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพอบันทึกแน่ถูกบันทึกทุกวันความดีความชั่วเปลี่ยนแปลงยังไงล่ะก็เปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าถ้าวันนี้บันทึกความดีบันทึกความชั่วด้านซ้ายเนี่ยถูกบันทึกว่านายกไปทําความบาปไปทําความผิดมาห้าประการแล้วก็เช้าทําความผิดมาแล้วตอนเย็นทําความดีเอาลบก็ใจความดีลบล้างความชั่วความดีลบล้างความชั่วถ้าหากว่า เป็นความชั่วที่เป็นแค่บาปไม่ใช่ชีริกไม่ใช่บาปใหญ่บาปเล็กๆทั้งหลายเพราะบาปใหญ่จะยังไม่ถูกลบล้างจนกว่าจะเตาบัดกับเนื้อกับตัวแต่บาปเล็กๆนะครับพูดจาหยาบคายพูดจาไม่ดีนะครับทะเลาะเบาะแวงถกเถียงกันเล็กๆนะไม่มีาปากมีเสียงกันเอาเสร็จอันตรายหรือว่าขยะทิ้งนะครับเรียราชอะไรกเนนะี่ยบาปเล็กๆทั้งหลายเนี่ยทำล้ํางแล้วมาลบล้าง ทำความดีสรดโก้ลบล้างทำความดีหรือลบล้างความชั่วมันจะถูกลบกันไปลบกันมาอันเนี้ยการบันทึกเล็กๆที่มาลาอีกาในมือของมาลาอกาซึ่งบันทึกเหล่านี้จะหมุนเวียนเช้าเย็นเช้าเย็นขึ้นไปแล้วไปถูกบันทึกนะครับถูกนำเสนอให้กับองค์สุมาตาลาบนฟากฟ้าในทุกเช้าและก็เย็นและในสัปดาห์ก็จะมีจันทรุษะแล้วก็ในรอบปีก็เป็นเดือนชาบาน บ, บันทึกเหล่านี้ก็จะถูกนําเสนอตลอดทั้งแต่ละวันเช้าเย็นในรอบสัปดาห์ในรอบปีก็เดือนชาตนะิบันทึกเหล่านี้ก็จะถูกนําเสนอดังนั้นเนี่ยกีตาบุมมัดกุมถ้าเอาลอตบันทึกไว้แล้วว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์ใครจะเป็นชาวนรกจะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงบันทึกของอัลลอฮ์ได้อย่างที่ผมบอกแล้วว่ากีตาบ้าของอัลลอฮ์การบันทึกของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ให้เราเลือกเต็มที่แล้วอัลลอฮ์บันทึกและบันทึกได้ยังไงล่ะอัลลอฮ์รู้มาก่อน รู้มาก่อนแล้วแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ประสงค์ก่อนแล้วถึงจะสร้างถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์อัลลอฮ์ก็ไม่ให้มันเกิดถึงแม้ว่าวันนี้เราจะทําความเราอยากจะทําความชั่วเราอยากจะไปทาความดีนะครับเราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อัลลอฮ์ยังไม่ประสงค์ให้เราได้ทํามันก็ไม่เกิดตรงนี้แหละที่บรรดาสลักเขาตั้งกฎมาข้อหนึ่งเป็นกฎที่เราจะต้องจารึกฝังรากลึกในหัวใจของเราเลยนะครับว่า มาช่อัลลอฮุก่านะว่มาลำยาชะลำยากุณสิ่งใดที่อัลลอฮฺประสงค์สิ่งนั้นต้องเกิดอย่างแน่นอนใครก็ห้ามไม่ได้สิ่งใดที่อัลลอฮฺไม่พึงประสงค์มันจะไม่มีทางเกิดต่อให้มนุษย์รวมตัวกันจะให้มันเกิดมันก็มีทางเกิดถ้าอัลลอฮฺไม่ประสงค์ให้เกิดหลังนั้นก่อนที่อัลลอฮฺจะสร้างสิ่งใดก็ตามขึ้นมาบนโลกใบ น, นี้หมายความว่าอัลลอฮฺประสงค์แล้วและทุกความประสงค์ของอัลลอฮฺนั้นมันจะต้องแฝงไปด้วยกับ เหตุผลที่ลุ่มลึกที่ล้ําลึกเหลืเกินวันนี้ดังนั้นนะครับเวลาอะไรประสบกับเราเนี่ยเราจะประสบกับสิ่งที่เราโดนบททดสอบอะไรก็ตามแต่และมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้ ว, เ, ลวเราจะต้องคิดดีกับอัลลอฮ์เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับเราเป็นอันขาถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดแสดงว่าอัลลอฮ์นะครับรู้ดีแล้วว่าสิ่งที่เกิดกับเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราไม่มีสิ่งใดที่กําเนิดขึ้นมาไม่มีเหตุผล และทุกเหตุผลนั้นมันอยู่ภายใต้ความยุติธรรมของอัลลอฮ์ดังนั้นนะครับวันนี้มุสลิมบางคนบอกว่าพอมีคนเสียชีวิตจากไปเขาไม่น่าตายเลยไม่น่าอายุสั้นเลยเห็นกันอยู่หลัดหลัดสุขภาพยังแข็งแรงไม่น่าตายเลยเหมือนกับเรากําลังจะบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนเขาสุขภาพดีอยู่ได้แท้ทําไมให้เขาตายไปหน้าที่ของเราคืออินน่าลิลละอินนาอิไลฮิรอจิอุนไม่ใช่ไปบอกว่า คนนั้นไม่น่าตายเลยสิ่งนี้ไม่น่าเกิดกับฉันเลยทั้งๆที่ว่าอัลลอฮ์ประสงค์แล้วอัลลอฮ์ถึงสร้างและอัลลอฮ์สุตารู้ดีและทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมามันมีเหตุผลและทุกเหตุผลนั้นมันอยู่บนความยุติธรรมดังนั้นอะไรเกิดไม่ต้องไปบอกว่าไม่น่าเกิดเลยอันนี้ไม่น่าเกิดเลยคนนั้นไม่น่าตายเลยไม่น่าเอาไปขายไม่น่าไม่ไม่ไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ทําแบบนี้จงนั้นคงไม่เกิดไม่ต้องพูด อินนาลิลลอฮิอินนาอิลัยรำลอัลฮัมดุลิลลา์มาช่าอัลลอฮ์จัสุนะท่านละท่านฟไม่ด้ขอาวลาสุานละอัลฮัมดุลิลลา์อลอุลิฮานนะครับอัลฮัมดุลิลลา์ขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกสภาพเมื่อได้รับความดีก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์เมื่อประสบกับความไม่ดีก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอุลิฮานภาษาไทยก็คือขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกสภาพนะครับอ่ะดังนั้นนะครับกีตาันบุญมาร์กูมมันถูกบัน จะ ش h د ه م ا ل م ق ر บูล ah uh แล้วก็บรรดามุขรับบุลบรรดากลุ่มชนที่อัลลอ์ให้เขาให้พวกเขามาใกล้ชิดอัลลอ์เนี่ยได้อยู่ร่วมยะฮูรูหูจะได้อยู่ร่วมเป็นประจักษ์พยานในการบันทึกของอัลลอ์สุบฮานุตาอลานะครับพวกเขาได้รู้เห็นนะครับการบันทึกของอัลลอ์ทั้งบันทึกที่อยู่บนชั้นฟ้า แต่เขาไม่ได้รู้ล่วงรู้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้ว่าวอซุนฮ า, านอาราได้บันทึกในลอคเฮมฟูสแต่เขาไม่สามารถที่จะล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งลึกลับความรู้ทั้งหมดนั้นไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากออมร์แต่คนเหล่าเนี่ยจะเป็นบุคคลที่อยู่ณที่ตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นบริวารรักษาแผ่นจารึกอันนั้นต์ออยนะครับ หมูก ร, ระบุลคือใครล่ะที่ได้อยู่ใกล้ชิด Allah. อัลลอฮฺอายะนี้เป็นเป็นคําสอนเป็นสัาธรรมอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุนนะอัลตาลาได้บอกได้ตรัสเอาไว้เป็นในให้กับบรรดาคนที่ต้องการเป็นคนใกล้ชิดอัลลอฮฺซุนนะอัลตาลาได้รับรู้อัลลอฮฺซุนนะอัลตาลาให้มาลร็งกาเนี่ยอยู่ใกล้ชิดพระองค์แล้วคุณลักษณะของมะเร็งกาเป็นยังไงวันนี้เราไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่ตอออภากดี ต่ออัลลอฮ์เหมือนกับมาเลก้าได้แต่ลักษณะของมาเลก้าคือผู้ที่ต่ออาพักดีเชือ้อไซเมนจึงบอกว่าอัลลอฮ์สุมาตารักให้ใครที่จะอยู่ใกล้พระองค์ลองมาดูให้ดูอาย่านี้อัลลอฮ์รักมาเลก้าให้อยู่ใกล้พระองค์เพราะมาเลก้าเนี่ยเป็นคนที่เคารพพักดีต่ออ่ะเชื่อฟังอัลลอฮ์ดังนั้นบ่าวคนไหนก็ตามที่ไม่ใช่มาเลก้าแล้วเขานั้นเป็นบางคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ ปฏิบัติตามที่อัลลอ์ใช้พยายามสุดความสามารถที่จะออกห่างจากสิ่งที่อัลลอ์ห้ามปฏิบัติตามสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวของอิสลามนะครับพ่อบงใช้บทบัญญัติทั้งหลายพยายามปฏิบัติคนเหล่านี้นะครับจะอยู่ได้อยู่ใกล้อัลลอ์ในวันเกียงเพราะเขานั้นมีคุณลักษณะหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติที่สวยงามที่มาเลากะมีถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่สามารถปฏิบัติได้เหมือนมาเกาปฏิบัติเพราะมาเกาเนี่ย เขาจะไม่เคยฝ่าฝืนอัลลอฮ์แต่มนุษย์เนี่ยเคยแน่นอนจะต้องฝ่าฝืนอัลลอฮ์แต่คนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยหลังจากที่ฝ่าฝืนแล้วเขาก็กลับเนื้อกลับตัวและพยายามทําความดีลบล้างความชั่วต่ออาภัตดีต่อ ه, อัลลอฮ์สุมภาระคนเหล่านี้นะ่ะอัลลอฮ์จะให้เขาไปอยู่ใกล้ในวงกียามนะเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้เรียกมาเลก้าว่ามุกัตระบูลอัลลอฮ์ทำไมไม่เรียกชื่อมาเลก้าว่ามาลากะทำไมอัลลอฮ์เรียกคนเหล่านี้ว่ามาลายกะ ในอายานี้ว่าเป็นมุก็ตระบูล์พอเราต้องบอกต้องการที่จะบอกว่ากลุ่มชนที่จะได้เข้าเข้าใกล้ฆ่าเข้าใกล้ฉันนั่นก็คือลักษณะของเขาจะต้องเป็นคนที่เชื่อฟังพยายามทำความดีอย่างมากมายเป็นอับบรอรเป็นอับบรอรเป็นคนดีเป็นคนที่มีความดีอย่างมากมายเหมือนกับที่เชคุัยมินอธิบายว่าอับบรอดก็คือกาซีรุนกซีรูฟีอันอิลไคลรอด คนที่พยายามทําความดีมากมายแต่ทีรุตตาออาัลคนที่ต้ออัลลอ์ต่ออ AH ัลลอฮ์สมาตาลาอย่างมากมายพยายามทําความดีใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยกับอิบาะัดทั้งหลายด้วยกับสิ่งที่เป็นฟา ร, รดูด้วยกับสิ่งที่เป็นซุนนะจนกระทั่งอ AH ัลลอฮ์ทรงฮะตาลาจะปกป้องตาเขาหูเขาปากเขาวิธีชีวิตการดําเนินชีวิตของเขาให้อยู่ในคันลองแห่งอัลลามอัลลอฮ์จึงเรียกมาละไรากันในอายะนี้ว่ามุกัดคกามดีเพื่อที่จะ ให้เราฉุกคิดว่าทำไมอัลลอฮ์เรียกชื่อมาเลยก็ว่ามุกอัระบูนะเพราะวาต้องการบอกใครอยากจะอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ให้เขานั้นพยายามพักดีกับอัลลอฮ์เยอะๆให้มากๆนะครับแล้วมุกอัระบูเนี่ยพวกเขานั้นจะบันทึกนะครับแล้วก็เป็นผู้พิทักษ์รักษาแผ่นจารึกบันทึกของอัลลอฮ์สุบฮานตาอ阿拉อินนัลอบราอารลาฟีนัยมสุบฮานาลาอินนัลอบรา อับรอดคือใครแท้จริงคนดีทั้งหลายเขาคือใครเรามาดูนะครับนักวิชาการทับซีทั้งหลายนะครับอาผมจะยกทับซีของท่านเชคซาดีในอายะนี้อินนั่นอบรอรและฟีน่อินแท้จริงคนดีนั้นจะอยู่ในความผาสุกเชกอับดุร์ฮมานอัสร่าดีนะครับในตับซีอัสร่าดีนะบอกว่าอันมูรอรบินอับรอดเปิ้ลมายของคําว่าอันอบรอดคือคนดีเนี่ยมันเป็นผ้าหูพคตรของคําว่าบิ ร, รุนคนดีเนี่ยก็คือ อัลกออิมูนบับผู้พูดผู้พูกิลลัฮิวฮุกุบะอิบะดิคนที่ดำรงอยู่บนบนสิทธิต่างๆต่ออัลลอฮ์และสิทธิต่างๆต่อบาวของอัลลอ์สิทธิต่อเพื่อนมนุษย์ก็พยายามทําสุดความสามารถสิทธิต่ออัลลอ์ก็ทําความสุดความสามารถอัลมูลาซาโมนะบินบเนบ ร, ริก็คือคนที่ยึดมัน่นถือมัน่นในเรื่องความดีทั้งหลาย ในการงานหัวใจการงานร่างกายนะครับคนเหล่านี้เขาจะมีความผาสุกทั้งในใจทั้งในจิตวิญญาณทั้งในร่างกายทั้งดุจยาและก็อาเคโรและก็ในโลกอะลัมบัตสักนะครับต่อมาทับซีร์อันบัคโววีนะครับทับซีรอันบัคโวีนะเนี่ยอธิบายคําว่าอ บ, บรอดว่าอ บ, บรอดก็คือคนที่ทําความดีคนที่จรงิงจังจรงิจรงใจในการศรัทธาของเขา ปฏิบัติสอดูอย่างครบถ้วนและออกห่างจากสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคุณธรรมแล้วเรามาดูอิมรุกะซีรนะครับในตัปซีดของอิมรุกะซีรเนี่ยอธิบายคําว่าคนดีว่าอย่างไงคนดีนะครับก็คือเขายกอายะเขายกฮะดีสของท่านนาบีบทหนึ่งนะครับในหนังสือตัปซีดอิมรุกะซีรได้ยกฮะดีสบทหนึ่งมามามายืนยันว่า คำนิยามของคำว่าคนดีในมุมมองของนบีคือใครนะครับนะก็รู้ว่าวกดรว์อับดุอาซากิดในตรใน ت ะมูซาบินมุฮัมมัดบินฮิชามินอามารอื่ซาบินยูนัสบินอบีอิสฮอัอบัอับอัอบออออัอับีอัออััับีอบี อินนามาสัมมาห์มุลล่ฮฺอลอบรอระฮาจริงแล้วอัลลอฮฺซุนฮ์นานนามคนดีในอันุรานเพราะอะไรด้อันุมเพราะการที่พวกเขานั้นบรรลอาบวัลอบนาขนดีในทัศนะของอัลลอฮ์ในมุมมองของนบีนั้นก็คือคนที่ทําความดีกับพ่อแม่และคนที่ทําความดีกับลูกของเขาดังนั้นเมื่อกี้นะครับที่ผมโพสต์หน้าเฟซนะ่ะ ผมก็อยากจะสื่อฮะดิสบทนี้ที่ท่านอบีได้ขนานนามคนดีว่าคนดีนะครับไม่ใช่ว่าไปพูดกับคนทั่วไปด้วยกับคําพูดที่หอมหวานสวยหรูแต่กับพ่อแม่ของตัวเองเขากับพูดจาต่ตํตาตมตำซามเนี่ยคนนั้นไม่เรียกว่าคนดีพูดกับคนดีได้ทั่วโลกได้กับทุกคนพูดความดีได้กับทุกคนแต่กับคนในครอบครัวเขาไม่เคยพูดความดีพูดเรื่องดีๆพูดจาดีๆ นะครับกับพ่อแม่กับภรรยากับลูกกับคนในครอบครัวถ้าคนในครอบครัวยังดีไม่ได้ยังดีกับคนในครอบครัวไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปดีกับคนนอกครอบครัวนะครับว่านยาสุลินละดังนั้นนะครับอิหม่ามโคตูบีนะบอกว่านะครับอิหม่ามอัตโตบรีอิหม่ามอัตโตบรีในนังสืออะตโตบรีบอกว่าอัลลอฮฺทรงฮามัลลาได้ตรัสเอาไว้ว่าแท้จริงคนดีอยู่ในความสุขเนี่ยแล้วคนดีคือใคร อินันละดีนะ บ, บัรูได้ทำความดีด้วยกับการปฏิบัติสิ่งที่เป็นครดูคพรบถ้วนสมบูรณ์ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายและก็เขาจะอยู่ในความหาสุดนะครับเขาอยู่ในความผาสุกอ่ะผมยกมาแค่นี้ก็พอเราก็ได้รับความนิยามต่างๆความหมายต่างๆจากปรารถนสุนใจมาที่เขานั้นได้ไปสืบสอบหดีษมายืนยัน ผลคว้าคำพูดของบรรดาสหฮาบะการกระทำของคน ด, ดีทั้งหลายมายืนยันแล้วว่าคนเหล่านี้คือคนดีที่อัลลอฮฺสุกายกสถานะพวกเขานะครับยกสถานะพวกเขาขึ้นมาดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าคนดีเนี่ยลฟีน่าอีมจะอยู่ในความผาสุกและความผาสุก ข, ของคนดีเนี่ยนะครับดุญยาก็มีความสุขอาคิราก็มีความสุข คนดีเนะ่ยเขาจะมีแต่ความสุขอยู่ที่ไหนเขาก็มีความสุขสุขกายสบายใจแต่คนไม่ดีน่ยนะครับมันจะตรงข้ามบางครั้งนะครับสุขกายแต่ไม่สบายใจนะครับคนดีเนะี่ยบางครั้งนะครับคนดีเนี่ยนะไม่สบายกายแต่สบายใจเขามีอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าร่างกายของเขานั้นนะครับจะถูกทดสอบ แต่หัวใจที่มีอัลลอฮ์คนดีที่หัวใจผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยถ้าหัวใจเขาสบายร่างกายเขาจะเป็นยังไงเขาก็มีความสุขเพราะเขานั้นตะวัด ก, กันต่ออัลลอฮ์เขานั้นที่ดีกับอัลลอฮ์เขานั้นมอบหมายกับอัลลอฮ์ร่างกายจะโดนบททดสอบแค่ไหนแต่ถ้าหัวใจมันมีกําลังใจมันผูกอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ไม่ว่าอะไรจะโดนกไม่ว่าจะอะไรอะไรจะมาเป็นบททดสอบเขาเขาก็จะต่อสู้และเขาก็ใช้ชีวิตอยู่บุญญาอยู่มีความสุขแตกต่างกับคนที่นะครับ ร่างกายแข็งแรงแต่หัวใจอ่อนแอเพราะอะไรครับหัวใจเขานั้นอ่อนแอในเรื่องของอีหมานหัวใจดีแต่อ่อนแอในเรื่องของอีห ม, มันทำให้ร่างกายของเขานั้นนะครับไม่ได้อยู่ในร่องในรอยไม่ได้อยู่ในกรอเห็นความดีงามไม่ได้อยู่ในพฤติกรรมที่จะทำให้อลลอรัรักและก็พอพระทยัยดังนั้นนะครับคนที่เขามีความสุขในีุคคนดีและคำว่าคนดีนะคือเริ่มตั้งแต่หัวใจของเขา ด้วยการที่ إ ي م านอย่างมั่นคงนะครับและไม่ว่าเขาจะสมประกอบในร่างกายของเขาหรือไม่สมประกอบร่างกายของเขานั้นนะครับมันจะดิ้นรนเพื่อที่จะได้ปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อเอาวสุหังต่างๆดังนั้นเราจะเห็นนะครับบางคนนะครับสุขภาพร่างกายแย่ไม่สมประกอบพิกลพิการแต่เขาไม่เคยขันละหมาดเลยคนร่างกายดีๆครบ32ประการยังต้องอายคนเหล่านี้คนเหล่านี้เขาไปละหมาด เขาละหมาดไม่เคยขาดเขาถือศีอดทั้งๆที่เขาจะต้องนะครับโดนบททดสอบบางคนเนี่ยโรคภัยรุมเร้านะครับเป็นโรคเรื้อรังแต่เขาก็ทําความดีอาลอสสุขหากต่อลอสสุขมาตลอดอันก็รุนละอานอั้นก็รานึนกระทั่งว่าคนร่างร่างกายดีสมบูรณ์ในท้องอายเป็นเ้ยดังนั้นใจที่มันมีความสุขร่างกายที่มันมีความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนะครับความสมบูรณ์ของร่างกายแต่มันขึ้นอยู่กับ ความดีที่มันอยู่ในหัวใจของเขานะครับคนที่ดีแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสุขและมันจะนําพาและฟีนาอิมตรงเนี้ยหมายถึงเนี่ยมะนาอิมอันตนาอมเขาจะมีความสุขเกิดความสุขทั้งยุนยาแลว้วก็อาเครอและนับถือบางท่านบอกว่าแม้แต่ในหฝางศขเขาก็จะได้รับแต่ความผาสุกอ่านะครับแล้วคําว่านะฟีนาอิมอัลลอฮุซุลลอฮิละตาลาได้ตอบแทนคุณงามความดีของเขาทั้งในยุนยาแล้ะก็าอาเครอ นะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับไอรันอาร์โรอีกี่อย่างสูรไอรันอรอ์อีกีย่างูรุ น, น, อรออรนพวกเขานั้นจะนั่งอยู่บนเตียงบนที่นอนนะครับบนที่นอนและก็ยังสูรจะจ้องไปยังความหาสุขที่อบลับประทานให้กับเขาคำว่าจ้องไปยังความหาสุขเนี่ยนั่งอยู่บนที่นอนทําจาก คําคว่าอรออิกมาจากคาว่าอาริกาอาริกามันแปลว่าเสื่รือสระที่แปลว่าเตียงนะครับว่าเราตาละอาัมเตียงนั้นจะเป็นยังไงเพราะในบางอายะห์อุษุนอเนี่ยบอกว่าแม้กระทั่งหมอนที่พิงของเขาเนี่ยข้างในยังบรรจุด้วยกับผ้าไหมถ้าข้างในเนี่ยยังบรรจุด้วยกับผ้าไหมผ้าที่ดีที่สุดบนลุยานแต่เป็นเพียงแค่สิ่งที่มาบรรจุภายในหมอนเนี่ยแล้วข้างนอกจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วเนี่ย พูดถึงเตียงของพวกเขาเขาจะนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็จ้องมองดูความหาสู่ความอดทนต่อบาป ท, ทั้งหลายนะครับความอดทนที่จะทําความดีกับอัลลอฮ์จนสุดท้ายแล้ว o, อัลลอฮ์ตอบแทนความดีอันมากมายให้กับเาในสวรรค์อีก99ความเมตตาที่อัลลอฮ์เก็บไว้ในสวรรค์เขาจะมองดูด้วยกับสายตาที่อินเออแล้วบรรดานักตัปซีดบอกว่าเขาจะนอนอยู่บนเตียงของเขานั่งอยู่บนเตียงของเขาที่สวยงามมากๆแล้วก็จ้องมองไปยังพระพักของอัลลอฮ์เสมอแต่ลา ตรงนี้แหละนะครับที่ผมบอกว่าที่นั่งซ u เปอร์ p ที่นั่งซูเปอร์วจริงๆนะครับมันไม่ใช่แค่ VIP ธรรมดามันเป็นซ u เปอร์ p เลยนะครับที่จะต้องที่ได้นั่งอยู่บนเตียงสวยงามแล้วก็จ้องมองไปยังพระพักของอัลลอเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวสวรรค์ที่ใครก็ปาถนาเพราะว่าอะไรครับทำไมอัลลอจึงตอบแทนชาวสวรรค์ด้วย ก, กับการมองเห็นพระพักของอัลลอฮเพราะว่าวันนี้เนะ่ใครก็ตามที่เขา จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ทั้งๆที่ว่าโลกดุญยาใบนี้อัลลอฮ์ไม่ให้เขาเห็นพระองค์แต่คนเหล่านี้ก็ยอมยอมซิโรลายอมจำนนต่ออัลลอฮ์อย่างสิ้นเชิงอัลลอฮ์สั่งใช้ทำอัลลอฮ์ห้ามเขาออกหนะ่า ง, งทั้งๆที่อัลลอฮ์ไม่ให้เขาเห็นแต่เขาก็เชื่อสนิทใจมีอีหม่านอย่างมั่นคงในหัวใจแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งจะได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์นานตลอดอัลลอฮ์ Allah จึงตอบแทนให้กับ ดวงตาคู่นั้นด้วยกับการได้เห็นพระองค์จริงๆนะครับเป็นอัตมันที่แท้จริงของพระองค์ในวันกิยามะนี่คือผลตอบแทนที่ชาวสวรรค์ น, นั้นปรารถนาแล้วนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็ยันสูรูนมองไปยังพระพักของอัลลอฮฺซุลฮานิยาลาะนะครับจะได้เห็นความหาสุขมันปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกา เชคอุไซมินก็บอกว่าเราถึงแม้วันนี้เราจะจินตนาการถึงความสุขนั้นไม่ได้เพราะอัลลอฮฺสุนลตัลลาไม่สา่าไม่อนุญาตให้เรานั้นจินตนาการไปถึงหมายถึงว่าจินตนาการยังไงก็ไม่ถึงหูไม่เคยได้ยินตาไม่เคยเห็นจินตนาการยังไงก็จินตนาการไปไม่ถึงแต่ท่านเชคอุไซมินบอกว่าให้เราลองนึกภาพดูว่าอย่างเช่นคนทุกวันเนี่ยถ้าอัลลอฮฺสุนลตัลลาให้เขาได้รับความหาสุขมีฐานะอันร่ำรวย เขามีความสุขในการดำเนินชีวิตเราจะเห็นจากสีหน้าของพวกเขาไปไหนก็จะมีความสุขไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดอะไรคนที่มีความสุขหน้าตามันจะบ่งบอกหน้าตามันจะสดใสหน้าตามันจะมีรอยยิ้มไม่อมทุกข์แต่คนที่เครียดคนที่เจอบททดสอบคนที่นะครับอมทุกข์หน้ามันจะแสดงที่สีเ อ, อที่สีหน้าและก็ดวงตาของเขา ตอให้เขาจะยิ้มแต่ถ้าหาว่าเขาซ่อนความเจ็บปวดความทรมาณอยู่ในจิตใจความทุกข์ในจิตใจเนี่ยเขาจะอยู่ไม่เป็นสุขนะครับนอนก็ไม่หลับเหมือนกันเลยคนในสวรรค์เนี่ยใบหน้าของเขาจะมีแต่ความสุขทั้งวันทั้งคืนเพราะเขาอยู่กับความสุขเขาได้รับความสุขได้รับการตอบแทนด้วยกับความสุขสิ่งที่เขาเคยทามาอดทนมารียยาอัลลอ์ให้เขาเห็นจนกระทั่งเขาลืมความทุกข์ทั้งหมดเลยนะเขาเห็นแต่ความสุข เขาจะยิ้มแย้มสายตาเขานั้นจะมองไปหาการตอบแทนแล้วก็มันจะปรากฏที่ใบหน้าของพวกเขาอะตะลิฟฟิจูฮิมินเอ่อนตโดรตันนาอินแล้วหลังจากนั้นนะครับผลการตอบแทนของคนดีน่ะเป็นยังไงผมจําได้ว่าผมพลาดไปหนึ่งประเด็นเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดประเด็นเรื่องของการเซทําความดีได้รับการตอบแทนไหมแล้วถ้าเขาทําความดีก่อนที่เขานั้นถ้าหากว่าทําความดีก่อนหน้าที่เขาละเว้นเนี่ยความดีนั้นองค์รัชจะให้ศูนเปล่าไหม เดี๋ยวเราจะคุยกันประเด็นสุดท้ายนะครับของข้ามไปแล้วคนดีในสวรรค์จะได้รับการตอบแทนยังไงยูสกานาหมิรรหกมมัคตูมอัลลอฮ์จะประทานน้ำนะครับน้ำตรงนี้เนี่ยให้กับใครให้กับคนดีๆทั้งหลายเมื่อเขานั่งอยู่บนที่นอนของเขามองไปอยู่บนฝามทางความผ า, า, า, าสุกซึ่งอีกอายาหนึ่งมาอธิบายนะครับไว้ว่า ยาตู้ฟอวลรไฮม์วินดานุ่มขัลนระดูนในสวรรค์นเนี่ยชาวสวรรค์จะนั่งอยู่บนที่นอนของเขาโซฟาที่สวยงามของเขาเนี่ยแล้วก็มุดอะไรฮามุตกอบิลินเขาจะหันหน้าชนกันนั่งหาการ น, นั่งหันหน้าเขาหากันแล้วก็คุยกันแล้วก็จะคุยกันแต่เรื่องของความผาสุกแล้วยาตู้ฟัวไรไฮม์ินดานุ่มขัลลดูนแล้วก็จะมีเด็กวินดานบันดาเด็กๆทั้งหลาย นักตัปซีตบอกว่าเป็นเอาราศของมุชิริกีนนะครับคนลูกขาหลานของกาเฟสที่ตายไปและพวกเขายังบริสุทธิ์อยู่ก็ถูกสร้างขึ้นมาให้มาเป็นเด็กรับใช้และบางคัสนาก็บอกว่าอัลลอฮ์สร้างมาให้เป็นเด็กรับใช้ในสมงเป็นกลุ่มเฉพาะเหมือนกับโฮรุนไอหินที่อัลลอฮ์สร้างมาเป็นการตอแทนว่วาอาละอาลานะครับ อลอสก็จะให้เด็กเราเนี่ยมาเวียนนะครับวนเวียนคอยรับใช้แล้วเด็กเราเนี่ยจะอยู่ในนั้นตลอดการก็จะเป็นเด็กรับใช้ตลอดการบีอควาบิววาบารีตว์เคนซมมด้วยกับแก้วนะครับเยือกแล้วก็แก้วที่มีหูแล้วก็จอกน้ำจากเหล้าแล้วเหล้าเนี่ยเอ๊ะทำไมไปสวรรค์ต้องกินเหล้าแหละทำไมอยู่ดุนยาเห็นว่าเหล้าเป็นเรื่องไม่ดีแล้วทำไมต้องตอบแทนในสวรรค์แน่นอนครับ ถ้าคนคนหนึ่งไม่ดื่มเหล้าเพราะเหล้านั้นมันเป็นยาเสพติดมันเป็นสิ่งทําลายสติปัญญาแต่ใครๆเขาก็ดื่มกันเขาขายกันแพงๆเหล้าขวดเป็นล้านเป็นแสนนะครับกลายเป็นสินค้าที่มีค่าของชาวบินยาแล้วเราไม่ดื่มมันไม่ไปยุ่งกับมันเพราะมันเป็นข้อห้ามอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าในสวรรค์ด้วยกับการดื่มเหล้าที่ลาอูซัดดาวูนอันฮาวาลายุซิกุนเหล้านั้นดื่มไปเถอะมันจะไม่มีทาง มึนเมาไม่ปวดหัวไม่ปวดศีรษะไม่เป็นลมหมดสติไม่ต้องไปทะเละเาะบาแวงกับใครยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งดืม่มยิ่งอร่อยนะครับยูสเกลนะไม่ ร, ร้ากินนะครับทูเคมาจากอะไรอ่กทูเคมาจากน้ำเหล้าที่ไม่ทำลายสติปัญญาไม่มีการเจ็บแสบปวดหัวไม่ทะเละเาะบาแวงกับใครซึ่งแตกต่างกับเหล้าในดุญนยามั k ตูมร้ายกินมั k ตูมนะครับ แล้วก็ในที่เหลือของมันเนี่ยหลังจากดื่มไปแล้วที่เหลือของมันเนี่ยคีตามูฮูมิสกุลที่เหลือถ้าดื่มไปแล้วแล้วเหลือเพียงเล็กน้อยในขวดนั้นนะ่ะในแก้วนั้นนะ่ะทุกครั้งที่ดื่มที่เหลือตรงนั้นอนะ่ะเวลาจะดื่มหมดเหลือนิดหน่อยเนะี่ยอัลลอฮฺให้เป็นน้ําชามุชเชียงหอมไม่มีอะไรจะหอมกว่า น, นั้นอีกแล้วทุกแก้วทุกเหยือกทุกจอกที่ดื่มไปในท้ายของมันนะครับเหลือ ก้นแก้วของมันนั้นคีตาโมฮูมิสกุลมันจะเป็นนะครับความหอมที่เหมือนกับชมกเชียงนักวิชาการบางคนบอกว่าคีตาโมฮูมิสกุลน่ความหมายของมันก็คือบั้นปลายชีวิตของคนดีนั้นชั่นห อ, หอมหวานเหลือเกินสุด ข, ขั้นเลยเขาอดทนนะครับอยู่บนความจริงบนสัจธรรมโดนบททดสอบมากมายแต่สุดท้ายเราบั้นปลายชีวิตเขาคือสวรรค์นะคีตาโมฮูมิสนะครับมันหอ ม, หอมหวานเหลือเกิน การตอบแทนของคนที่อดทนฟาฟีดาลิกาฟันยาตนาฟาซินมุตานาฟิซูนและก็และดังกล่าวเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยการตอบแทนของชาวสวรรค์น่ะใครที่กําลังแข่งขันกันอยู่จงแข่งขันกันซะแข่งขันทําความดีทําไปเถอะอยากแข่งกันทาความชั่ววันนี้บางคนนะครับพอบอยู่วัยรุ่นอยู่จับกลุ่มกันก็จะเอาเรื่องอดีตความชั่วของตัวเองมาเล่าให้ฟังฉันนะดื่มเหล้าคอแข็งที่สุดนะ ฉันมีแฟนเยอะที่สุดฉันทําบาปนั้นทําบาปนี้มาเก่งที่สุดเหนือที่สุดเจวที่สุดเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดกันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเรื่องเหล่านี้ต้องปกปิดแล้วก็ตาวัตรกับเนื้อกับตัวถ้าใครเอาความชั่วของตัวเองในอดีตมาเล่าหรือเอาความชั่วของตัวเองที่ไปทําลับๆมาเล่าเนี่ยคนเหล่านี้นะเขาเรียกมูหมูฮาัจารุนคนที่เปิดเผยความชั่วตัวเองอัลลอฮฺจะไม่อภัยโทษและวันกิยามัตโทษ เ, เหล่านี้จะถูกเปิดเผยให้กับทุกคนเห็นพวกะเขานั้น นะครับมีความปรารถนาอยากจะโชว์ความชั่วแต่ถ้าใครก็ตามที่ทำความผิดมาแล้วเขาเก็บไว้แลวเขารู้สึกเสียใจและเขาก็ไม่บอกใครอินชาอัลลอ์ความชั่วเหล่านั้นจะถูกปกปิดและอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ถ้าเราประสค์และไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นน่การที่จะแข่งขันกันให้แข่งขันในความดีใครอ่ราน q u ร a n ได้มากกว่ากันใครมีความรู้มากกว่ากันนะครับ ใครที่อยู่ในความดีงามมากกว่ากันแข่งขันกันใครบริจาคมากกว่ากันแข่งขันกันในเรื่องนี้เห็นใครทำความดีชั้นอยากจะทำมากกว่าแต่ไม่ได้เพื่อโอ้อวดแต่อยากจะทำมากนะเห็นใครมีความดีชั้นอิจฉาเขาอยากจะเป็นเหมือนเขาเพื่อชั้นจะได้ทำความดีไม่ใช่ริษยาที่จะไปทำลายความดีของเขาริษยาตาร้อนอยากจะให้ความดีนั้นมันหมดไปจากตัวเขานี่คือความชั่วนี่คือความริษยาที่ต้องห้ามดังนั้นอัลลอบอกว่า ให้นะถ้าให้เราทําความดีว่าม uh ีซาจูโฮมินตัสนียมนะครับแล้วสิ่งที่นํามาผสมกันเนะ่ยเป็นเครื่องดื่มให้กับชาวโซนเนะ่ยจากตัสนะียมตัสนียมเนี่ยคืออะไรตัสนียมคือแม่น้ําสายหนึ่งที่มันไหลามาจากอาราชของพระสุหานาุการเป็นน้ําสายหนึ่งจากสวงสวรรค์ตัสนียนะครับไอนั่นแปลว่าตาน้ําตาหนึ่งที่มันจะไหลามาจากสวรรค์ แล้วชาวสวรรค์ก็จะได้ดื่มน้ําสายนั้นที่มันจะไม่เปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติยิ่งดื่มยิ่งอร่อยนะครับแม่น้ําสายนั้นไอในยะชรบูบิฮันมุกอร์ระบุลและเขาจะได้ดื่มมันนะครับไปตลอดกาลคนที่อยู่ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์ทรงตรัสให้ใกล้ชิดกับพระองค์เนะี่ยก็จะได้ดื่มน้ําจากตัสมีนั้นเห็นไหมครับอัลลอฮ์ทรงตรัสได้พูดถึงมุกอร์รบุลกลุ่มแรกคือมาลาิกะ แล้พอมาพูดถึงกลุ่มนี้หมายถึงคนดีทั้งหลายที่อัลลอฮ์จะให้เขาใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ดังนั้นเราก็ต้องไปดูว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เนี่ยเราจะต้องมีพฤติกรรมอย่างไรที่เหมาะสมที่จะได้ไปใกล้อัลลอฮ์ในบางเกียร์นะในวันที่เราได้เข้าสวรรค์ได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ซูเปอร์วีไแล้วความดีนั้นเราจะต้องทํำยังไงอะไรคือความดีใครคือคนดีหน้าที่อัลลอฮ์ในมุมมองของอัลลอฮ์ไม่ใช่ในมุมมองของตัวเอง นะครับที่คิดเองเออเองว่าเนี่ยคือดีฉันจะทําไม่ใช่น บ, บีถูกส่งมาเพื่อให้เราปฏิบัติตามและทุกสิ่งที่อย่างที่เป็นซุนนะเนบีนะบานลีงานแล้วก็เช็คหัวใจของเราว่าแล้วได้บริสุทธิ์ใจไหมเราอิจฉาริษยารังเกียรเดียดฉันตัดขาดพี่น้องกับใครหรือเปล่านะครับเราก็ต้องเระมมาระวังหัวใจของเราให้อีคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออ่ะต่อมานะครับมีคําถามมีประเด็นว่าเมื่อพูดถึง ความดีแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่มีเพียงแค่มุสลิมที่จะทำความดีนะครับคนในโลกใบ น, นี้มันไม่มีใครหรอกครับที่เขาจะชั่วแบบบริสุทธิ์ไม่มีความดีแม้แต่ผู้ทุเดียวมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นความดีเนี่ยถ้าหากว่าการช่วยเหลือพี่น้องการบริจาคทานนะครับเหล่านี้เขาเรียกว่าความดีคนที่ช่วยเหลือผู้คนในยามยากจนขัดสนมันมีทั้งในมุสลิมลก็ไม่ใช่มุสลิม ถ้ามุสลิมอันฮัามเลิละเมื่อเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บันทึกความดีให้เพราะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ความดีเราจะไม่สูญหายถ้าเราไม่ตั้งพาคีกับอัลลอฮ์หรือเราไม่อุบะแล้วเราทาําความดีอยู่ในกร่อบความดีเราจะถูกบันทึกทั้งหมดและจะถูกตอบแทนอินชาอัลลอฮ์ในวังเกียร์นะแล้วกับกาเฟสคนต่างศาสนิกที่เขาทาําความดีอย่างมากมายเป็นคนดีจนกระทั่งว่าเราเนี่ยรู้ซึ้งถึงน้ําจิตน้ําใจหัวใจของเขาเพื่อนบ้างของเราช่างดีเหลือเกินเพราะอะไรครับเขาเป็นคนดี เขาเป็นคนที่ไม่เคยด่าอิสลามเป็นคนดีแต่เขาตายไปนในสภาพของกาเฟรปฏิเสธศรัทธาต่อองค์เนี่ยความดีที่เขาทำในดุนยาเนี่ยได้รับตอบแทนไหมและความดีเหล่านี้มันจะกลับไปช่วยเขาได้ไหมในวันกยาตนะ์ะอ่าเรามาดูกันนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับท่านอนับดลเด็อมุหัมมัดสัลซันได้พูดอย่างไรเกี่ยวกับคนกาเฟรที่เขาทาความดีเอาไว้ท่านนาบีบอกว่าอินนัลกาเฟร ถ้าทำละ حسن ัตันตัวอิมะบ i h a ตัวอิมะตันมในนรากาเฟรเนคนต่างศาสนิาที่เขาไม่ได้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่เขาไม่ได้เป็นบ่าว ท, ที่รู้คุณของอัลลอฮ์เราต้องบอกว่าเขาเป็นบ่าวที่ยังไม่รู้คุณอัลลอฮ์เขายังปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เขาเป็นบ่าวไหมเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะครับเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนถูกสร้างมาโลกใบ น, นี้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นคาเฟรหรือมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหม แล้วท่านนบีบอกว่าไงแท้จริงกาเฟตคนที่ไม่ใช่มุสลิมนี่แหละนะครับปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าเขาทำหนึ่งความดีอัลลอฮ์อูตตัวไอามาบิฮาตัวอัมตันอัลลอฮ์จะประทานอาหารการกินเครื่องยังชีพอะไรต่างๆให้กับเขาในดุญญาเป็นการตอบแทนให้กับเขาที่เขาทำความดีดังนั้นเขาจะมีริสกีจะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สิสนเงินทองมีอาหารปัจจัยยังชีพ ในสถานหน้าภาพที่เขาปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ยังให้กับเขาอยู่ในฐานะที่อัลลอฮ์สร้างเขามาอยู่บนโลกดญญนิยายนี้นี่คือสุดยอดแห่งความยุติธรรมความสมบูรณ์แบบของความยุติธรรมที่มาจากอัลลอฮ์ซุนนะใครทำความดีอัลลอฮ์ให้หมดถึงแม้ว่าเขาจะปฏิเสธก็ตาต่อให้เขาตั้งตัวเป็นพระเจ้าเหมือนฟิรูอุนเขาก็มีความร่ํารวยเขาก็มีอาหารการกินนะครับถ้าเขาทําความดีอัลลอฮ์ตอบแทนให้เขาในนิยา แสดงว่าเขาได้ในด u n y าละนะครับส่วนมุมินละส่วนมุมินนั้นฟาอินลองรอฮะแต่ Allah ي ُ د َ خ ِนะครับ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي ا ส่วนมุมินล่ะคนศรัทธาต่อ Allah เนี่ย Allah จะประวิงเวลาต่อแทนในอัคร์ด้วยและ Allah จะเปิดให้ริสกีปัจจัยยงชีพในดุ n y a ให้กับเขาด้วย โลกนี้ก็ได้โลกหน้าก็ได้นะครับนี่คือมุสลินแต่กาเฟรเขาได้ในโลกนี้อัลลอฮ์ให้กับเขาอัลลอฮ์ตอบแทนเขาอัลลอฮ์ไม่อาจทาใครแม้แต่นิดเดียวแต่ในวันอาคิอรอดล่ะความดีที่ทํามากมายและเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่เคยทําบาปเลยเป็นคนที่รักในสังคมมุสลิมเห็นใครเห็นเขาก็รักเขาเพราะเขาเป็นคนดีเขาเรียกว่ารักแบบต่อบียี่ฐานธรรมชาติของคนเวลาเห็นคนดีเขาก็เกิดความรักความพอใจในคนคนนี้รักต่อบียี่ นะครับอนุญาตให้รักได้แล้วตายไปเนะี่ยความดีที่ทำมาสูญเปล่าไหมสูนเปล่าอัลลอ์บอกว่าวะกระดิมนาอิลามะอามิลูมินอามิลินฟะจันนาห์วาบาอัมมันตูรอในวันเกียรมาความดีของมุชริกความดีของกาเฟรความดีของมูนาฟิกอะไรต่างๆนานาที่เคยทำไว้ก็ตามแต่มากมายแล้วตายไปในสภาพนั้นไม่ได้กเอกับเนื้อกับตัวหรือไม่ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม ว่ากอดิมนาเราใจไปเราได้มาอย่างความดีที่เขาได้ทำไวสิ่งที่เขาได้ทำไว้ที่เป็นความดีงามเราจะอันน้าหาวหบาอัมมันตูรอเราจะให้มันกลายเป็นขุยผงไปหมดเลยในวันเพียมากเขาไม่ได้รับอะไรเลยสุดทายนะ้องขอให้พี่น้องของเราที่เป็นคนดีขอให้พี่น้องขอให้คนที่เรารู้จักที่เขายังไม่ได้รับทีดายะทางนําที่เป็นคนดีขอรลอสุการาาให้เขาได้รับทางนํา ขอเราเปิดหัวใจขอให้เขาเน้นเปิดใจตัวเองและขอเาราสละให้เขาได้รับความดีงานนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นกาเฟรเนี่ยนะครับอ่ะรุ่นยาเนี่ยเขาได้รับความดีงานนะครับเป็นดิสกี้เป็นอาหารการกินเป็นสุขภาพแข็งแรงอะไรก็ตามแต่ที่เขามีอยู่ทุกวันในที่เราเห็นเนี่ยที่เขามีความร่ํารวยมากมายเราไม่ต้องไปอิจฉาเขาเลยบางคนไปอิจฉาคนกาเฟรทําไมเราศรัทธาในโลกนี้เอาล็อกไม่ให้เขาเราให้เป็นอย่างนั้น เขาได้แค่โลกนี้เราอิจฉาก็ได้ยังไงแต่มุกมินเนะี่ยโลกนี้ก็ได้โลกหน้าก็ได้เนี่ยแหละสุดท้ายแล้วคนที่ถูกอิจฉาหน้าอิจฉาที่สุดคือมุกมินนะครับแล้วทีนี้เมื่อเขาเข้ารับอิสลามละ่ะความดีเหล่าเนี้ยมันจะสูญเปล่าหรืออัลลอฮ์จะโทษให้หลังจากที่เขาเข้ารับอสาาบลลลิสลามท่านอบดุลเบบีหมหามะซุลลัลลอฮ์มุลลาห์สุลลัมนะครับฮะดีษบนี้อันฮะคีมิบเนาะฮิซามิน จากฮาคิมบินฮิฮิามอันนะฮุกอละ่ะก่าวเขาได้กล่าวกับรอซูลถามรอซูลหรอซุลลัลลัลละซัลลั ม, น, ลมนะครับว่าอัลรอัยต่อุมุรอนคุณต้อาอัตันนัตุเบฮาฟิจ่าฮิลยิยาท่านรอซูลครับท่านเห็นว่าอย่างไรกันกับการงานต่างๆที่ผมเนี่ยได้ทํามาอย่างมากมายตอนที่ในยุจจาฮิลิยะที่ผมยังไม่ใช่มุสลิมหมายความว่าความดีที่ผมชอบทํามา คือท่านฮากิมบินฮิซามเป็นสหาบยแล้วชอบทําความดีมาตลอดชอบบริจาคเป็นคนล่ํารวยบริจาคอูดเป็นร้อยตัวซดดะก็มากมายนะครับท่านความทำความดีมากมากเลยแล้วก็ถามเราซุนว่าความดีที่ผมทํามาก่อนหน้านี้ท่านเห็นว่ายังไงครับตั้งแต่ยุจยาฮิริยาก่อนที่ผมเข้ารับอิสลามมินซาดะตินเอาอาตางปตินเอาซิลติรฮิมินไม่ว่าจะเป็นการซดดะก็การปล่อยท่าการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติเนี่ยผมทําอย่างมากมาย อภิเษกจรุญมันมีความดีตอบแทนไหมครับต่อเกอาะเ ร, สราสมะฮ์ุลลัยสัลลัลลัมนบีก็ฉเฉลยให้คนใายคนนี้บอกว่าอัสลัมตะอัาลามาอัลลัฟตะมินไคยรินฮากิมเอยเจ้าเนี่ยได้รับอิสลามได้เข้ารับนับถือาศาสนาอิสลามบนความดีที่เจ้าได้เคยกระทำมาก่อนหน้านี้ นั่นหมายถึงอะไรก็ตามที่เจ้าได้กระทำมาก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ให้ความดีเหล่านั้นถูกบันทึกไว้หลังจากที่ท่านได้เป็นมุสลิมแล้วด้วยอัลลอห์บอกว่นี่คือความยุติธรรมอันยิ่งใหญ่ของอัลลอ์สุบฮานอวาตาลาที่ประทานให้กับคนที่เขาเคารพนับถือศาสนาอิสลามดังนั้นนะครับวันนี้ถ้ามีพี่น้องต่างสลิกท่านใดกาลังฟังผมอยู่นะครับขอให้พี่น้องรู้ไว้ว่า พี่น้องกำลังอยู่บความดีงานความดีงานที่พี่น้องเคยทํามาทั้งหมดที่ก่อนหน้านี้นะครับอัลลอฮ์สุนฮันตะลาจะให้ความดีเหล่านั้นนะครับทบอยู่ในบันทึกเหตุความดีหลังจากที่คุณได้เข้ารับอิสลามและก็ขอให้คุณรักษาความดีนั้นไว้เพราะว่าหลังจากที่คุณเข้ารัอิสลามแล้วความชั่วทั้งหลายที่เคยทํามาความไม่ดีทั้งหลายก่อนหน้านี้นั้นอัลลอฮ์สุนฮันตะลาจะลบล้างให้เหมือนกับประดุอย่างผ้าขาวความชั่วอัลลอฮ์ลบให้หมด ความดีอัลลอฮ์ทบให้เหมือนกับที่ท่านอบีบีมหามัตสุลลลัลสลามได้ได้กล่าวเอาไว้ซึ่งฮะดีษบทนี้นะครับถูกบันทึกในมุสลิมเป็นฮะดีษต่อเสียนะเป็นหะดิษต่อเสียเป็นฮะดิษสายรายงานถูกต้องและแข็งแรงนะครับความดีของคนที่เตาบะกับเนื้อกับตัวนะครับกับเนื้อกับตัวแล้วเขาทําความดีอัลลอฮ์ก็จะลบล้างความชั่วนะครับ คนที่เข้ารับอิสลามความชั่วทั้งหลายที่เคยทำมาอาล่อลวงลบร้างให้หมดเหมือนกับผ้าขาวขอรักษาผ้าขาวนั้นไว้และความดีเัล่นั้นอันลลอฮฺทูลาลาก็จะเอามาทษให้กับเขาดังนั้นสําหรับกาเฟตเนี่ยจากคัดดิสบทเนี่ยเราได้นะครับประโยชน์สามประการเกี่ยวกับชนิดประเภทต่างๆของคลุ่กาเฟตเกี่ยวกับการงานของพวกเขากลุ่มที่หนึ่งนะครับก็คือ ภูมที่ทํำความดีตอนที่เขานั้นเป็นกาเฟตอัลลอฮ์ไม่ตอบรับนะครับหมายถึงความดีต่างๆนะครับอัลลอฮ์ไม่ตอบรับแต่อัลลอฮ์สุานาโนตาอัลาเนี่ยจะตอบแทนให้กับเขาอัลลอฮ์ไม่รับเพื่อที่จะเอากราวิงเวลาไปตอบแทนในโลกหน้าแต่อัลลอฮ์เรื่องความยุติธรของพลกเนี่ยอัลลอฮ์ก็ตอบให้เขาในดุน y a นะครับอัลลอฮ์ให้กับเขาในดุ n ยา แล้วหลังจากนั้นนะครับประดับกลุ่มที่สองก็คือการงานที่ดีของคนกาเฟรนะครับหลังจากที่เขาตายไปแล้วมันไม่ยังประโยชน์ให้กับเขาให้เขารอดรอดจากไฟนรกได้ไม่ตอบรับไม่ยังประโยชน์กลุ่มที่สามก็คือกาเฟรที่เขารับอิสลามความดีของเขาอัลลอฮ์จะบันทึกนํามาบันทึกไว้ในบัญชีของเขาหลังจากที่เขาเป็นมุสลิมเรียบร้อยแล้วนะครับ และก็ความดีตรงนี้จะยังประโยชน์ให้กับเขาในโลกอัลลอหลังจากที่เขานั้นได้เข้ารับอิสลามรับเราทำดี ล, และแต่นั้นนะครับความดีคนดีได้รับการตอบแทนอย่างไรคนการแฟ้ที่ทําความดีด้วยกับความยุติ Allah, Allah ธรรมของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่อาจทาใครเขาได้รับว่าเขาจะได้รับการตอบแทนในโลกบุนยาไปนี้แต่ไม่ถูกประวินเวลาในโลกอัรลอฮ์และในโลกอัรลอฮ์ น, นั้นจะโมฆะทั้งหมดนะครับแล้วก็ การตอบแทนของคนดีในโลกอาคิรอนเนี่ยเป็นยังไงนะครับสุดทานัลนเรเป็นที่สุดแห่งความผาสุขโดยเฉพาะยิ่งการเห็นพระทักของเราในวันเกียร์มาเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ก็ขอให้เรานั้นนะครับได้รับความดีงามจากการเรียนรู้ทัพซีดในวันนี้ขอให้เราเป็นหนึ่งคนที่เอลล็อกมาแตลาทรงรักและพอพระไทยขอให้การงานของเรานั้นเป็นการงานที่ถูกตอบแทนนะที่อลัลล็อกขอให้การงานของเรานั้นไม่ใช่การงานที่โมคะทั้งทุนยาและอาคิรอน ขอให้หัวใจของเรานั้นสะอาดจากขริกจากความอิจฉาริษยานะครับจากการอาธรรมต่อผู้อื่นจากทุกความคิดจากความสุกภพในด้านหัวใจที่มันจะมาทําลายการงานของเราขอให้เรานั้นเป็นคนที่หัวใจนั้นสะอาด บ, บริสุทธิ์นะครับขอให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุคตาทรงรักและขอพระไทยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครั บ, นรบในพระรัศหน้าถ้าไม่มีอุปสรรคใดอินช่าแล้วเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อ นะครับหากประเด็นไหนพี่น้องนะครับไม่เข้าใจหรือประเด็นไหนนะครับผิดพลาดประการใดก็นะครับผมยอมรับคำํำตักเตือนหากว่าผมขาดประเด็นไหนไปพี่น้องอยากจะอยากจะรู้ประเด็นไหนเสริมก็สามารถทักเข้ามาในเพจสถาบันนิวิสตาประจําจังหวัดลำปางหรืออยากจะฟังหัวข้อไหนประเด็นไหนก็สามารถทักทายเข้ามานะครับในเฟซส่วนตัวหรือ ในเพจลำปางได้ว่าอยากจะฟังเรื่องนี้อยากจะฟังเรื่องนั้นนะครับอีชอว์ว่าถ้ามันมีประโยชน์กับพี่น้องผมจะพยายามนะครับนำมาเสนอให้กับพวกเราได้รับความรู้นะครับและก็ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับอ้าอีชอว์ว่านะครับวันนี้เราก็เรียนกันมาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สินาทีก็นานพอสมควรนะครับก็ขอปิดท้ายเพียงเท่านี้นะครับอาพุรุกัลิฮาดะวัสตะกินุลฮะน่าดิมานีวาลุคุอิสลาลิุสติมันตุลิัมบะวัสตะกินุอินหูอัลลอฮูร์ราหิม سبحانك اللهم وبحمدك شكر ولا إله إلا أنت استغفرك ونريك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.